มีไม่มีไม่มีมีนี้คืออะไรทีนี้ติดหมดคิดแก้ไม่ไปเชิญชี้ให้ชัดทั้งอักแปลโปรดแก้ถึงที่ว่าเกิดมีต่างตาทั้งเหตุผลแล้วดับไปไม่มีชัดในสังคมนี้ข้อต้นมีไม่มีนี้อย่างตรงข้อปลายไม่มีมีนี้เป็นคร ที่ลึกล้ำใครพบจบประสงค์ไม่มีสังขารมีธรรมที่มั่นคงนั่นแล่อ์ธรรมเองวิเวกิณิพุทฉาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตาหลงศักดิ์ขีนาละโยตอนมีไม่มีไม่มีมี ตัวเดียวกันคือท่านผิดตัวมากเลยท่านไปเอาไอ้จิตฝ่าที่คงแต่งเนี่ยแล้วก็พญานาคที่ตายที่มันไม่คงแต่งท่านบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่สำคัญที่เป็นพณะกิตตัานเดิมแต่ตอนพระนักจิตตั้งเดิมขนาดมาเปลี่ยนเป็นตัวคุ้แต่งท่านบอกว่าอันนี้คือธรรมชาติฝ่ายคุ้มแต่งตอนสังเกตไหมท่านผิดตัวมากเลยเนี้ยคือเวลาจิตที่มันไม่คุ้แต่งท่านบอกว่าขนาดมันไม่จิตอะไร มันอยู่นิ่งๆมว่างค ต, ตัวเนี้ยเป็นธรรมชาติฝ่ายแม่ทุนแต่งแต่พอมันเริ่มเคลื่อนไหวท่านบอกว่าเนี้ยมันเป็นเป็นธรรมชาติฝ่ายทุนแต่งท่านเอาเป็นตัวเดียวกันแต่ประกายกลายเป็นคนละขนาดทีด่ปฏิบัติจิตเข้าใจจิตมาหาเนื้อลื่มันเอาเป็นตัวเดียวกันแต่เอาเป็นคนละขนาะขนาดใดตัว SO มันไม่คิดมันเป็นธรรมชาติฝ่ายแม่ทุงแต่งกระดาษใดมันไปคิดมันเป็นธรรมชาติฝ่ายทงแต่ง แต่ขนาดจิตที่มันคิดหรือมันไม่คิดมันก็เป็นธรรมชาติฝ่ายพุงแต่งคือตอนนั้นมันขี้เกียจคิดจิตมันขี้เกียจคิดมันก็เลยหยุดคิดไปชั่วขณะหนึ่งแต่มาในขณะที่มันหยุดคิดมันก็เป็นจิตที่ขนาดนั้นมันขี้เกียจคิดเหมือนคนที่นอนหลับมันก็เป็นธรรมชาติฝ่ายพุงแต่งอยู่ดีเพราะว่ามันจะนอนหลับยังไงร่างกายเราอะขณะที่ร่างกายเราเดินมันก็เป็นธรรมชาติฝ่ายสังขารพุ่งแต่งขณะร่างกายเราหลับไม่เคลื่อนที่มันก็เป็นร่างกายเราที่เป็นตุ่งแต่ง ไจิตขนาดที่มันคิดมันก็เหมือนกับว่าขณะที่ร่างกายเราเดินมันเป็นธรรมชาติไ่ปรุงแต่งขนาดที่จิตมันหยุดคิดมันก็เหมือนกับเรากายกายที่นอนหลับมันกเป็นธรรมชาติไปาปรุงแต่งเหมือนกันวันนั้นจิตที่หยุดคิดมันก็เป็นธรรมชาติไ่ปรุงแต่งมันคือมันเป็นจิตไงดังนั้นเวลาเข้าเข้าฌานเนี่ยเข้าฌานจะหยุดคิดเนี่ยวัฏสัญญาณสัญญาญาตนะเนี่ยหยุดที่จริงๆนะเขาฌานเนี่ยหยุดคิดเลย พระกุศเจ้าของเราเรียนกับอาราดาบดได้ฌานได้ฌานที่เจ็ดไปต่ออทกดาบทได้ฌานที่แปคือหยุดคิดเลยหยุดคิดอยู่นึกได้ไม่คิดไม่นึกเลยในฌานนั้นน่ะไม่หายใจด้วยถ้าไม่หายใจด้วยเด้อแต่ไม่ตายเพราะว่าอธิษฐานจิตไว้จะอยู่ในนั้นกี่วันหวันเจ็ดวันอยู่ได้สามที่อธิษฐานจิตไปเพราะมันไม่คิดอะไรแต่อธิษฐานจิตมันจะแล้อยู่กี่วันมันก็เลยเข้าไปในนั้นแล้วก็มันก็ไม่คิดอะไรพราะนั้นจะคิดที่ไปอยู่ในนั้นเน่ยไม่คิดอะไรเนี่ย ไม่ใช่จิตตัดด้งเดิมระแทรหรือใจตั้งเดิมระแทรถึงแม้มันจะไปอยู่ในฌานที่ไม่คิดอะไรมันก็ยังไปคิดไปายพงแตงแต่ขณะนั้นมันไม่คิดอะไรฉะ mm hmm. น, นั้นเนี่ยก่อนจะคืนเข้าฌานที่จนถึงขั้นถึงว่าไม่คิดเนี่ยมันจะต้องเข้าอากาศสารนันจายาตนะมาก่อนอากาศสารนันจายาตนะว่าง ว่างเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเลยเหมือนเหมือนอันเดียวกันเลยเป็นความว่างอันเดียวกันแต่แม้จิตมันจะว่างยังไงมันก็นยังชื่อว่าเป็นจิตเป็นสังขารของจิตคือร่างกายของจิตเพราะมันเป็นการปรุงแต่งเข้าชานมาตั้งแต่วิสุทวิการสี่ิิบสุขุเบขาสี่ชานแล้วปรุงแต่งไปเป็นอากาศสารมันแต่ยานะอันแรกก็ชื่อแล้วอากาศอันแรกมันก็ว่างที่จะเป็นอากาศไปแล้ว อาคาสารัญจายตนะคืออะลูกไม่มีลูกเพราะไม่มีลูกขึ้นต้นก็อาคาสารก็เป็นอ า, า, อากาศไปเละอาคาสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินัญญาญตนะมันนี้ว่างหมดเลยว่างจริงๆแล้วพอเสร็จแล้วก็ไปเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานที่แปดไม่คิดไม่นึกไม่ติดไม่ตองอะไรเลยสัญญาเอามาใช่ก็ไม่ได้เนวะสัญญา นาสัญญาเนี่ยสัญญาคือความจําความจําความคิดปุงแต่งเนี่ยเนยวสัญญานาสัญญาชนนั้นคือมีสัญญาความคิดเอามาคิดไม่ได้เอาความจํามาใช้ไม่ได้อยู่เหมือนคนตายแต่มันยังไม่ตายเพราะนั้นเนี่ยร่างกายก็แทบจะไม่ปรากฏลงในใจเลยคือสังขารทั้งมวลท่จะดับหมดแต่แม้จิตมันจะว่างเป็นอากาศอากาศสารนิยยะ แล้วว่ามันจะถึงอคติใหญ่ๆแล้วนะแล้วก็หยุดคิดหยุดนึกด้วยแต่มันยังไงก็เป็นจิตเพราะว่ามันเป็นจิตแตสังขารฝ่ายปรุงแต่งมันปรุงแต่งมาตั้งแต่เป็นรูปประชาและเป็นอรูปประชา <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะมีสภาวะเดิมได้มันก็ต้องคืนกลับมาไปสู่คนปกติแล้วกลับมามีความทุกข์เหมือนเดิม พระเจ้าจึงเสียใจมากเลยว่าอ้าวทำไมมนทำไมไปว่างไม่ทุกข์อยู่แต่ในชานน่ะจนได้ถึงฌานที่แปดแล้วอะไม่คิดไม่นึกมันก็เลยไม่ทุกข์อะไรไม่คิดไม่นึกมันเลยไม่ทุกข์อะไรแล้วว่างจนเปละก็เป็นเป็นไงมั่งถามพระเจ้าว่าเป็นไงมั่งเป็นว่างเหมือนอากาศเลยไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยเหมือนอากาศอ้าวแล้วทำไมกลับมาทุกข์อีกแล้วพะเจ้าวะอ้าไม่อยากทุกข์ก็เข้าไปใหม่สิ ไม่เข้าไปมันก็ออกมาอีกอ่ะเข้าไปยังไงก็ออกมาอีกอ่ะเมื่อยังทุกอยู่เดียวพระเจ้าโอยแบบเสียใจมากเลยแบบว่าไม่พ้นทุก็สี่สั่งเงี้ยมีคนทุกโอยทุกมากเลยตอนเนี้ยทุกมากเลยสุดๆเลยว่าหรือว่านี่คือที่สุดแล้วแต่สุดท้ายไม่เคยถามคนถุกไม่พ้นทุกได้ทำไมเราพูดตรงนี้ช้าๆเลยหลารอบเคนที่ปฏิบัติเข้าใจจิตหนึ่งไปเข้าใจพยายามทําใจเหงให้ว่า ใจมนุษย์ใจหรือจิตเนี่ยมันว่าอย่างไรมันก็เป็นจิตต้องถางนอยู่ดีพยายามทําใจหรือจิให้ไม่คิดถึงจิตไม่คิดอะไรระดับถึงขัานน่ะในวสัญญาณาสัญญานะมันก็ยังเป็นจิตอยู่ดีมันจิตคนทุกไม่ได้นะคนที่ทําใจให้ว่างๆหนึ่งกับคนที่ทําใจให้นิ่งๆหนึ่งเข้าใจจิดว่าขณะใดเราที่ใจมันว่ามันคือความไม่ปรุงแต่งขณะใดที่มันคิดมันคือความปรุงแต่งไปเอาเป็นตัวเดียวกันไอ้ตัวจิตเนี่ย ที่มันว่างกับมันไม่มันหยุดคิดเนี่ยแล้วมันก็ไปคิดเนี่ยอนขณะจิตที่มันว่างแล้วมันหยุดเนี่ยเขาเาเรียกว่าจิตมันหลับจิตมันหลับแล้วก็มันก็ตื่นมาแล้วก็มันก็มาทํางานแล้วมันก็ทุกข์มาแล้วก็บอกว่าพระเจ้าร้ออุ๊ยแล้วใครจะไปอยู่ในนั้นได้ตลอดเวลามันหลับอ่ะจิตมันหลับอ่ะใครมันจะหลับได้ตลอดเวลาเหมือนร่างกายอ่ะกายใครมันจะหลับได้ตลอดเวลาจิตมันหลับก็ต้องมีเวลาของมันแล้วมันก็หมดกําลังที่มันจะหลับก็มันกินแล้วมันก็ไม่นอนแล้ว มันก็เลยขึ้นมาแล้วก็มีทุกข์เหมือนเดิมถึงบอกว่าจิตเนี่ยมันว่างขนาดไหนมันคิดขนาดไหนนะมันก็ยังเป็นจิตประวัตมันเป็นเจตจิตหลับกับจิตตื่นแต่ไม่ใช่ว่าตอนมันเป็นจิตหลับแล้วมันเป็นมันเป็นวิสังขารแต่มันตื่นแล้วเป็นสังขารตอนหลับันจิตหลับจิตว่างเป็นวิสังขารเป็นธรรมชาติฝ่ายในตู้งแต่งคือเป็นพุทธะเป็นสุญญตาธาตุงนั้นคนที่ไปจับอาการต่างๆไม่ว่าจะโปร่งโล่งเบา สบายว่างไงก็ตามที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ไปจับจิตอยู่ดีเนี่ยมันก็เอาจิตฝ่ายภูมิแต่งหมดมันเล่อนทางแล้วจึงความไม่แต่งแต่งได้หรอกเพราะว่าปโป่งโรกเบาสบายว่างเนี่ยไอ้ปอง่งโรกเบาสบายว่างมันมันฟุงมาเป็นรูปประทานเพราะปิติไงผมโรคเบาสบายเป็นรูปประทานแล้วก็ไปสูกความว่างอาการสาร น, นันกจชนะสิ่งของว่างความว่า ง, าางต้องให้ว่างขนาดไหน ม, มันก็เป็นอันูปประจานมันเป็นฝ่ายภูมิแตง่งเพราะฉะนั้นมันเป็นการหลับชั่วคราว แต่ละมันก็เลยออกมาเป็นปกติไปทุกเหมือ น, นเดิมอะพุกเจ้าทําทไมไมันไม่พ้นทุกอแบบเนี้เลยถ้ามีไงจะพ้นทุกได้พระพุธกธกาลบทว่าเราจะพ้นทุกได้ในระีเดียวคือเราจะต้องไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจริงๆก่อนที่ไม่เคยสั่แล้วทุกเจ้าถามว่าเออไม่ทําไงเราจะไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ที่วางเปล่าเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ทในภูมใจจริงๆโดยที่ไม่ต้องคัดสรได้ยังไงผทูกระดาบอกว่าเราก็เขาไม่เคยจอเออไปเลยบอกว่าโอ้โหดูนนหน้าในแนวเจ้ามหาสารสดาโลกตัวเงมาตกปลาลึงเลยโอ้โหป่าความหวังสุดท้ายคือต้องแหวงหาโอ้โแบบสละแล้วจะรังส ล, สละทุกสิ่งาเนี่ยมันกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยองค์เนี่ยที่สุดแล้วในสมัยนั้นมีใครเทียบบอกว่าเราก็ยังไม่เคย กพบสภาพนั่นเลยแต่เรารู้ว่าเราต้องเข้าไปเป็นเหมือนเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเราต้องเข้าไปเป็นเหมือนเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งโดยที่ไม่ต้องเข้าใจชามแล้วว่าทำไงบอกเราก็ไม่เคยเราก็ไม่เค right no ยทำเราก็ไม่เคยเจอสภาว่านั่นเลยเราไเจ้าโอ้โหแบบมันน่าเสียมากเออไปเลย สุดแล้วเนี่ยคือมีอไหมเนี่ยมันจะมีหนทางไหมเนี่ยที่เราจะพบมันจะมีหนทางไหมเนยโอ้โหแบบบางทไม่มีพระเจ้าออกมาจากคำนักอุมุขกษัตริยาบทนี้แบบว่าแบบน่าเสียมากเลยอะ่ะได้สุดก็ น, นี่อไปอดอาหารอดข้าวกันลมหาใจสลบสไลด์ในคนทุกข์เนี่ยแล้วสุดท้ายจะมาพบก่อนเอง อาพวกความจริงไงปฏิจจสมุปบาอย่างเงี้ยอาพวกความจริโอ้ยธรรมชาติมันมีมันมีเพิ่มตัวหนึ่งมันคือธรรมชาติฝ่ายที่เป็นรูทธาตือาสลีลังคือวิญ ญ, ญาณที่ไม่คงแต่งมันเป็นอาสลีลังไม่มีรูปธาตุทั้งฐานในดมันมีอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนั้นเนะี่ยมันเป็นธรรมชาติมันมีอยู่แล้วจิตเดิมแท้เป็นประพาศอย่างเงี้ยประพาสละนิตตัง จิตเดิมแท้มันมีความเป็นปะภัสสรไม่มีตัวตนไม่มีจุดร่างไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยจิตเดิมแท้มันมีอีกตัวหนึ่งคือมันไม่มีตัวหรอกแต่มันมีอีกอันนึงนอกจากไอ้กายกายละร่างกายที่ตัวปรุงแต่งและจิตปรุงแต่งแต่อีกตัวหนึ่งที่ไม่นในใครพบในสมัยนั้นพบแค่สองตัวในร่างกายเรามีใจเนื้อกับไอ้กายจิตนี้เราอยากจะปรุงแต่งเราให้ให้ไม่คิดก็ได้ให้ว่างก็ได้แต่ไม่มีใครพบอีกตัวหนึ่งคือพุทธะ ซึ่งเป็นสุนฺญาตาธาตุยิปทานธาตุอมัสธาตุธรรมธาตุไม่มีใครเจอตัวนี้คือตัวไม่คุงแต่งที่จเจ้ามาควรพบเนี่ยความสิ้นความปุงแต่งเพราะอาวิชชาดับไปสังขารจิตดับไปเพราะสังขารดับไปวิญญาณจิงดับไปวิญญาณดับไปนามรูปจิตดับไปนามรูปดับไปสลนะายเญนาปตตัญหาอุบทานภพชาติ ทุกตกเศ้าเสียใจครับแ้นจ่ายใจการเวียนว่าใตายเกิดดับสนิทเลยเพราะอาวิชชาดับไปเจ่เมาคนพบอันนี้ปฏิจจสมุปาเนี่ยผู้เจ้าทวนรงเนี้ยถึงเท่าไหร่สามสิบสองรอบทวนกลับไปก ล, ล, ลับมากลับไปกลับมาตร น, นี้ก่อนที่จะออกมา 2. สองถึงนสามสิบสองรอบตทบวนว่าการเกิดมาได้อย่างไรและ การตายทำมาจึงมีการตายการตายก็พอมีการเกิดทวนกลับมาจากฐานมาหัวไล่มาเรื่อยการตายมาจากการเกิดการเกิดมาจากอะไรการเกิดก็มาจากภพชาติภพชาติมาจากอะไรมาจากอุบานอุบาสุมาจากอะไรตัณหาตัณหามาจากอะไรเวทนาเวทนามาจากอะไรมาจากพระสักพระสัมาจากอะไรมาจากอายสถานหกเนี่ยเราอยังมีแก้ใจอายสถานหกมาจากอะไรนามรูปนามรูปมาจากอะไรนามรูปมาจากเนี่ยญาณวิญาณมาจากอะไรวิญญาณมาจากสังขารสังขารมาจากอะไรเอาวิชาอ้าว วนกลับมาก็มาเจอเอาวิชาอีกแล้วจะดับการเป็นไร้สายเกิดดับพวกชาติไงก็เพราะอาวิชาดับเอาเอาวิชาดับวิชากระดับเอวิชาดับสังขารดับวิญญาณดับน้ำรูปดับอะไรยานธดับภาษาตันหาเวทนาอุปทานพวกชาติดับเอ้าวัดดับดับหมดเลยเอ้ยพอฝ่ายเกิดอีกไอ้ที่เกิดไอ้ที่จะเกิดไอ้ที่เกิดไอ้ที่จะเกิดไอ้ที่จะเกิดอาควาดี้ดับไอ้นีดับไอ้นีดับดับอะสีนาอยู่ถึงสามที่สองรอบทบทวนที่ตัตสรุ เลยจึงรู้ว่าในความผงแข่งมันมีความไม่ผูกแข่งตัวนี้แต่แต่ท่านก็จะผิดว่าเอาตัวที่มันคิดไม่ถึงตอนผงแข่เนี่ยไปทำให้มันไม่ผูกขณะใดที่มันไม่ผงแข่งแล้วมันก็ไปคิดตอนคิดมันเป็นผูกแข่งพอเราทําตัวเราไม่ผูกแข่งเราไปเอาตัวนั่นงแต่เราเนี่ยมันไม่มีทางหลงได้หรอกไอ้ตัวเดิมเนี่ยไอ้ตัวที่เอาไปหลงอะเป็นตัวผงแข่งมันคิดเอาไปหลงได้ว่าเรามีตัวไอ้ตัวที่มันสร้างว่าเรามีตัวได้มันเป็นตัวผูกแข่ง แตอาตัวผงแสงมันคิดนึกติดตอนผงแสงไม่ได้มันมีแต่รู้มันเป็นธาตรู้มันได้แต่รู้แต่มันคิดไม่ได้เพะฉั้นไอ้ตัวที่คิดอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราตัวเราเนี่ยคิดไม่ได้แต่แจ้จริงมีแต่รู้ตรงนี้สำคัญ น, นะือ น, นคัญมากเราเนี่ยได้แต่รู้คิดไม่ได้ไอ้ตัวคิดเอ่ยเป็นตัวผงแสงไอ้ตัวกาย ที่เดไปเดินมาเปตัวปรงแต่งแต่เราเนี่ยได้แต่รู้ปุงแต่งไม่ได้คิดไม่ได้แต่พอเราพูดอย่างนี้คนก็ยังแปลผิดอีกคือทําให้ตัวเราเนี่ยไม่คิดไปปุงทําให้ตัวเราไม่คิดไอ้ตัวเราเนี่ยไปปรุงให้ตัวเราไม่คิดมันก็ไปปรุงตัวเราแบบเข้าชานนะคือทําให้มันเน่ะเป็นเนวะสัญญาณาสัญญาญตนะเพราะว่ามันเป็นตัวตัวปุงให้เราไม่คิดไง เพราะปรุงให้เราไม่คิดปรุงยังไงก็พที่สุดของเนวะสัญญาณาสัญญานะดับลมหายใจดับเวทนาสัญญาสังขามียัดแต่ไม่ตายท่านเนี่ยมันดับความไม่คิดเพราะมันพยายมปุงแต่งให้ตัวเราไม่คิดขณะใดที่เราปรุงแต่งตัวเราไม่คิดเราก็จะเป็นตัวไม่คิดแต่กลายเป็นวิสังขารเสร็จ แ, แล้วก็เอาตัวเราไปคิดอันนี้เป็นวิสังข์ไปสังขารมันเลยพยายามปรุงสีชาให้ตัวเราไม่คิดจึคมีระบบการปฏิบัติที่ผิดที่เราไม่เห็นคือเพราะมันมีความคิดขึ้นมามันก็อาระบบ ไอตัวสังขารปรุงแต่งอีกตัวหนึ่งอ่ะไอตัวจิตปรุงแตง่งไอตัวนี้ก็ปรุงแตง่งไอตัวคิดกับตัวปรงแต่งพอคิดข LIKE, ึ้นมาปุ๊บมันมีตัวหนึ่งคือมันปรุงแตง่งเป็นตัวรู้ต่าสนจากการพ <c oughs> อคิดปุ๊บ ค, คิดปุ๊บ ค, คิดปุ๊บทำกัน ด, าด่าดื่อเลยมันนั่งต่อหน้าเราเนะี่ยแม้แต่พระที่บิณฑบาตตามหลังเราก็มีแอบทําอย่า ง, งนี้ีเร า, ท, า, ร ท, า, ท, าทําอะไรทั้งหมดเนีชึบชึ๊บชบอย่างเงี้ยทำกันอยู่อย่างเงี้ยนะจะฟังก็ไม่ฟังอ่ะเพราะอะไร มันเข้าใจว่าถ้ามันดับไปตัวป่ายปรุงแต่งได้น่ะมันจะเข้าไปถึงไอ้ตัวไม่ปรุงแต่งถ้าเขาสามารถดับไอ้ตัวที่พรุงแต่งได้คือจัดการทุกพลิกให้มันดับไปแล้วเขาเนี่ยจะการเป็นตัวไม่ปรุงแต่งแล้วมันเนี่ยคิดอยู่ี่แล้วจะเปไปได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นตัวปุงแต่งกับปุงแต่งพอเราจัดการได้มันก็ว่างอยู่ชั่วคราวอ่ะแล้วมันก็คิดอีกอ่ะมันจัดการด้านก็ว่างอยู่ชั่วคราวมันก็คิดอีก ก็จะไปจัดการได้ไงเพราะไอ้ตัวทั้งตัวเนี่ยทั้งไอ้ตัวที่คิดขึ้นมากับตัวปรุงแต่งไอ้ตัวที่คงเป็นผู้รู้มารู้นต่อทายมันกับตัวปรุงแต่งพอปรุงให้ว่างเสร็จมันก็ไปตัวปุงแต่งแล้วมันจิการกับตัวไม่ปรุงแต่งไงแต่ไอ้ตัวปุงแต่ไอ้ตัวไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันคิดไม่ได้มันไม่จัดรู้มันจัดการอะไรไม่ได้ดังนั้นไอ้ตัวไอ้ตัวที่รู้เนี่ยมันไม่สามารถจะมารู้นจริการรู้บริการชึกได้แล้ะอีกตัวหนึ่งที่ผิดยังไงรู้ไหม มันเอาไอ้ตัวรู้เนี่ยมาเพ่งมาจ้องมาพยายามดูพยายามรู้มาพย า, าพยามเห็นเพราะอะไรไอ้ตัวเจตนาที่จะมาดูจิตมันเป็นตัวปรุงแต่งชื่ออืนเขบอกเลยว่าเจตนาไอ้ตัวรู้มันเจตนาไม่ได้มันได้แต่รู้รู้ว่าเราเนี่ยกาลังมีเจตนาจะมาดูจิตแต่ตัวตั้งใจพยายามจะดูจิตไอ้ตัวตั้งใจที่จะมาพยายามดูจิตรู้จิต มัป็นจิตปรงแต่งแต่ไอัยรู้ว่ารู้สกรู้ว่าเราเนี่ยกําลังปรุงว่าตั้งใจจะมาดูจิตอัยรู้นั่นน่ะเป็นพุทธะเป็นอีกตัวหนึ่งอัที่เราเนี่ยยุบมุดไว้กับจิตเราเนี่ยอจิตนี้จะเอาจิตนี้ไม่เอาจิตนี้จะเอาจิตนี้ไม่เอาไอตัวนี้ตัวปรุงแต่งแต่ไอัที่รู้ว่าเรากําลังทําอย่างเงี้ยอันนี้จะเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้จะเอาไม่เอาไอตัวรู้น่นะเป็นพุทธะเป็นอีกตัวหนึ่ง ไอตัวรู้อะไรอ่ะก็มารู้ไอตัวปรุงแต่งนี่แหละมันไม่ได้รู้อะไรหรอกมารู้ไอตัวปรุงแต่งนี่แหละมึงโดนทําอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่ไอตัวรู้เนี่ยมันจะปรุงไม่ได้มันเลยไม่มีมันไม่ได้ทำอะไรแั้นไอตัวรู้เนี่ยมันไม่มีตัวเกปติการิยาอะไรมันเลยไปไปเลือกไม่ได้นะว่าไอนี่จะเอาอันนี้ไม่เอาเฮ้ยไอนี้ไม่เอาเว้ยไิตนี้จะเอาจริตนี่ไม่เอามันเลือกไม่ได้ครับเพราะมันเป็นแต่รู้มันเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้มันเป็นธรรมชาติได้แต่รู้แต่มันปรุงแต่งไม่ได้มันเลยเลือกไม่ได้ว่าไอจะเอาอันนี่ไม่เอา พูสิทธ่ดีไม่เอาเอาเอาสิทธิดีๆมันเลือกไม่ได้ไอที่พยายามเลือกเลือนเลือนเนี่ยไอเจ้าตัวปุงแต่งแต่ไอผู้รู้รู้อะไรก็รู้มึงพยายามเลือกอยู่เล่นเนี่ไม่แค่ว่าไอผู้รู้รู้อะไรไปรู้อาการสิทดีไม่ดีนะมันรู้ว่าเองอะพยายามจะเลือกอย่างเนีถ้ามันรู้เข้าใจอย่างเนี้ยด้วยใจเนี่ยมันรู้ึกอย่างเนี้ยด้วยใจเข้าใจด้วยใจได้ใจแท้ จิตี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นจิตทั้งหมดแม่จิตมันดีมันก็เป็นจิตจิตไม่ดีมันก็เป็นจิตจิตมันคิดก็เป็นจิตจิตมันหยุดคิดมันก็เป็นจิตแต่อิรู้เนี่ยมันได้รู้ว่าจิตตอนนี้คิดตอนนี้จิตมันหยุดคิดตอนนี้จิตมันว่างตอนนี้จิตไม่ว่างไอ้รู้มันได้จะรู้ตอนนี้จิตว่างตอนนี้จิตไม่ว่างก็ไงจิตว่างมันก็เข้าไปว่างที่สุดจนถึงอาตาศานันจายนานี่อากาศเนี่ยว่าจะเป็นอากาศเลย แล้วก็เลยไปถ er ึงความกินจัญญาจนะอนั้นวาหนักเข้าไปเลยแล้วก็ไปถึงเนวสัญญาจนะคือหยุดคิดเลยแต่อายุมรู้อะไรอ่ะไอรู้มันก็รู้ว่าเนี่ยเองว่างขนาดไหนเองก็เป็นจิตและรู้รู้อะไรเองหยุดคิดที่ขนาไหนเองก็ยเป็นจิตอยู่แน่แน่อายุมันก็ได้แต่รู้ว่าจิตเนี่ยมันหยุดคิดจมันว่างขนาดไหนมันก็รู้ว่าเองก็เป็นจิตเอนเองความว่างเป็นจิตไอ้ขนาดหยุดคิดก็เป็นจิต ขณะมันคิดมันก็เป็นจิตขณะมันที่มันเป็นอาการดีๆถูกใจมันก็เป็นจิตขณะมันไม่ดีมันก็เป็นจิตอมันจิตทั้งหมดเลยนึกว่าเนี Kyung ่ยมันเป็นจิตหมดเลยต้องสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ช้าที่เป็นผู้รู้เพราะผู Owen ้รู้เนี่ยมันไม่เป็อาการอะไรไม่ได้แต่รู้ว่าอินทรีย์เป็นอะไรเป็นอะไรมันเลยรู้ซื่อๆเพราะว่ามันเป็นของไม่มีตัวตนไม่มีอะไรไม่ได้แต่รู้มันเลยต้องรู้ซื่อๆซื่อๆซื่อซื่อพยาเดีพยายามทาให้ตัวเรารู้ซื่อๆนะ มันเป็นธรรมชาติที่เข้าไปปรุงแต่แงแทกแต่งอะไรไม่ได้มันเลยต้องปล่อยให้สังขารทั้งมวลนะ่ะมันซื่ อ, อมันเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหตุใดซื่อๆล่ะครับเพระมันเนี่ยไปแทกแต่งไม่ได้มันไม่หมดความสามารถไม่มีเครื่องมือไม่มีอวัยวะไดที่ไปจัด ก, การอ่ะจะเอาไม่ไดไม่เอามันเลยต้องถูกทำเป็นธรรมชาติต่อ ง, งซื่อๆไม่ใช่ว่าเอาตัวเราเนี่ยปรุงแต่งให้ไปรู้ซึ่อๆดังนั้นเราไปทำทําอะไร เราเนี่ยจริงๆมนต้องทำอะไรเลยจริงๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติสามฝ่ายคือกายาฐานจิตฐางฐานปูกแต่งแล้วก็ส่วนธรรมชาติที่ได้แต่รู้ไม่ปรุงแต่งมันจึมีแค่สามอย่างไม่ได้ไปทําอะไรเลยเพียงแต่เห็นมันอยู่อย่างนี้แนี่ยเพราะทุกอัน่ะมันก็ปรุงแต่งตั้งต้นเลยตัวเราได้แต่รู้ซื่อๆมันจึงมีคําว่ารู้ซื่อๆนิพพานไงรู้ซื่อๆนิพพา น, น, นมันละได้แต่รู้ นี้เวลาปฏิบัติมันก็เจะพูดว่าอาจารย์ทําไมรู้แล้วไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยทําไมรู insane, ้แล้วไม่เห็นเป็นเป็นอย่างงู้นรู้แล้วไม่เห็นเป็นอย่างนี้ไอ้ที่มันเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างเนี้ยมันคือจิตฟรุงแต่งมันเอาไว้ตัวปรุงแต่งเป็นเราอะรู้แล้วเราต้องเป็นอย่างไรไอ้ที่เราเป็นยังไงเนี่ยคือจิตปรุงแต่งมันไม่เอาเราไปรู้เสียทีมันก็จะมาถามเราเลยว่าอาจารย์ทําไมรู้แล้วไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยแล้วจะเป็นยังไง อาวชสัตต่าราุ้มันต้องว่างมึงหมดเลยมันเอาตัวเราไปเป็นความว่างไอ้ว่างมึงเป็นอาการของจิตไงรู้แล้วมันต้องไม่คิดอะไรหลายคนมาพูดกับเราอย่างนี้แล้วไปสอนอย่างนี้เลยต้อมีพระสอนต่อนหน้าเราเลยลวะรู้แล้วมันต้องไปคิดอะไรนะรู้แล้วมันต้อคิดอะไรขนาดจิตที่ไม่คิดมันก็เป็นจิตเขาพยายามทำให้จิตเนี่ยมันไม่คิดพอไม่คิดปุ๊บมันจะได้เป็นธราชาติไปไม่เปลี่ย เขาอธรรมชาติใส่ปรุงแต่งไม่คิดไม่อะไรเขาไม่เอาลูนเขาไม่เอารูแต่กูว่าอาจารย์เอาลูแต่อันนีงมันเอาไม่คิดกอกเอาว่างก็ยังไม่สนใจอยู่ดีใช่ครับสองาัาเอาไปยังไงสใจยังไงก็เหมือนผมคุยกับสองตางจิตผมก็ไปทำทุกอางที่ที่ ติดจองติดแต่งไปสร้างความบ้างไปทําอะไรทุกอย่างมันเป็นจิตกำลังขานหมดนะครับผมดาคือถ้าเห็านจาิตขณะจิตใจใจผมก็เป็นจิตแล้วแม้พยายามปฏิบัติเพื่อให้เป็นอะไรมันก็ไม่มีได้เป็นอะไรได้มีอะไรคืออะไรถูกอะไรจิตคนนี้หนีเพราะมันเป็นเรื่องของจิตนะครับผมดาเดี๋มวเขาพูดีเนี่ยพราะทุกอย่างมันเป็นเรื่องของจิตหมดเลยจะดีไม่ดีจะผิดจะถูกเป็นเรื่องของจิตหมดในธรรมะที่เราให้หลวงตาฟังก็เป็นเรื่องของจิตคือรู้ก็ไม่เก็บกัน ไอ้ผู้ที่อาอาการมันจตมเล่า้เราฟังเนี่หลงหลงหลงผิดตัวทั้งนั้นเลที่อาอการมัจิตมาเล่าเราฟังล่ะจิตดียตอย่างนั้นจิตเป็นยางงี้จิตมป็นว่าโว่างมากเลยอาจารย์อะไรเงี้ยพอจิตไม่ว่างไหมมาหาลาล่ะพอจิตว่างแล้วมาเอามาโชว์แหะไอะ้ิไม่ใช่มันคืจิ ต, ตเดี๋ยวเราจิตปตัวเราเป็นตัว ต, วตวนของเราซนะ มันเพียงแต่ว่าเราเนี่ยปล่อยให้จิตมันแสดงกิริยาการไปแต่ตัวเราไม่แสดงกิริยาการไม่ได้แต่รู้จิตมันแสดงกิริยาการไเป็นทุกข์ณะปัจจุบันแค่นี้เองจริงๆอ่ะวิธีปฏิบัติคือคงปล่อยให้จิตมันแสดงกิริยาอาการของมันขึ้นธรรมชาติแต่เราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่แสดงกิริยาการใดๆคงปล่อยในทุกข์ขณะจิตเนี่ย คิดเนี่ยม er erm ันคิดม pues nope ันนึกมันตื่นมันตอมันปรุงแต่งแสดงปริยาการขึ้นมาของมันเองของมันเองนะมันคิดมันนึกมันตื่นมันตอมันปรุงแต่งของมันขึ้นมาเองแล้วมันก็ดับไปเองแล้วมันคิดนึกตื่ตอมปรุงแต่งของมันเองแล้วก็ดับไปเองมันคิดมันนึกมันตื่นมันต่อของมันเองแล้วมันก็ดับไปเองแต่เราเนี่ยไม่ได้ไปช่วยมันคิดเราไม่ได้ช่วยมันปรุงแต่งเราเนี่ยไม่ได้ช่วยปรุงแต่งนะ แต่ไอจิตเนมันมีหน้าที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยหน้าที่ของมันปรุงแต่งมันต้องปรุงแต่งของมันเองแต่เราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติไปายไม่ปรุงแต่งเราอย่าไปช่วยมันปรุงแต่งแล้วคงเห็นแต่จิตมันปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้นเองระดับไปเองเกิดขึ้นเองแลดับไปเองเกิดขึ้นเองแลดับไปเองแต่เราไม่ปรุงแต่งก็ได้แต่เห็นมันอยู่อย่างนี้นะแต่เราจะไปช่วยมันปรุงแต่งเดี๋ยวเราไปช่วยมันด้วไปช่วยทําให้มันว่างช่วยทําให้มันไม่คิด ช่วยแอบผมโลกเบาสบายไปช่วยมันตลอดเนี่ย้วกายเราก็เลยกลายเป็นตัวมันก็ไปเป็นในตัวปผงแต่งเขาจะมีที่มาของคําว่าจงดูจิตดูใจมาดูหนังดูละครอย่าเข้าไปเป็นผู้แสดงเป็นอันขาดผู้แสดงกับผู้ดูคนละตัวกันนี่ไงดูจิตดูใจรู้จิตรู้ใจมาดูหนังดูละครอย่าหลงไปเป็นผู้แสดงเป็นเพียงผู้ดูผูู้ผู้เห็น มันคนละตัวกันระหว่างผู้แสดงบนจอกับไอ้ผู้ที่ดูผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันตอนนี้พอเราเป็นผู้ดูเราก็เพียงแต่ว่าทําหน้าที่เป็นผู้ดูเนี่ก็เป็นธรรมชาติไปเลยเราไม่มีหน้าที่ไปแสดงไอ้ที่หน้าที่พิจิตต์มแสดงอ่ะมันเป็นผู้แสดงบนจอจะดูจิตดูใจเหมือนผู้แสดงหนังแสดงละครเราไม่ใช่ผู้แสดงเป็นเพียงผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นสิ่งที่เขากําลังแสดง แต่เราเนี่ยเวลาปฏิบัติเราผิดเราเอาตัวเราไปเป็นผู้แสดงขอให้เราไดีเป็นผู้ดูผู้แสดงแต่เราเอาตัวเราไปเป็นผู้แสดงเราก็เลยแสดงแอคชั่นตลอดแอคชั่นแสดงแอคชั่นให้หยุดคิดหยุดลึกมั่ให้ปรับปรับแต่งแต่งให้ว่างให้โลกให้โปรให้เบาสบายให้ไมีคิดให้มันนิ่งให้มันเฉยเรากลายเป็นแสดงทั้งวันเลย เขาบอกว่าใ ห, ให้ให้เป็นผู้ดูคิดจิตใจมาดูหนังโดยละครแต่เราขึ้นบนจอเลยไปแสดงเองตลอดเวลาเลยอ่ะมันคนละตัวกันที่อบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดียวกันเพาะว่า เ, เราไปทำํำไปคิดป็นหยุดคิดอยู่นึกนะครับอ๋อหยุดคิดแตามันหยุดคิดมันคิดทํามันหยุดคิดไอตัวนั้นเป็นตัวสแสดง คนที่ถานเนี ania, of of ่ยเป็นจิตแล้วถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรเนี่ยหลวงตาแล้วหลวงตาบอกมาเนี่ยจิตมันเป็นความรู้ความเข้าใจของจิตก็เอาไปทำที่หลวงตาบอกก็เป็นการเียนการเรียนการปฏิบัติเนี่ยคือหลวงตาให้ปัญญาบอกว่าอันนี้คือเป็นที่รู้ที่ดูที่เห็นที่เห็นในขแล้วบอกเอาไปปฏิบัติตรงนั้นตรงนี จะทําแม้แต่ลชา บ, บอกว่าให้แต่เป็นตรงนี้มันต้องแยกผ่ายเจ้ตัวพี่นายคือแม้ว่ามือตัวนึงเป็นผู้รู้เขาจะเอาตัวผิดไปไปท็นผู้<ช><ม>รู้ต้องต่างกันยังไง ร, รู้ไหมลุงชาไอผู้รู้ที่มันเอาไอไอคิดปรุงแต่งแสดงเป็นผู้รู้กับผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติมันแตกต่างกันยังไงรู้ไหม ไอ้สัตว์าดมันแอบมีการตงแต่งเอาจิตตกแต่งอับเป็นครมันจะต้องเจตนาเจตนาที่จะรู้จิตเจตนาที่จะดูจิตหรือตั้งใจจะดูจิตพยายามจะดูจิตจงใจจะดูจิตจะต้องมีสี่คำแล้วเจริได้ดีที่มันต้องมีความพยายามไว้จะทํางานอะไรก็ต้องพยายามทํางานอะไรก็ต้องพยายามไว้จะพยายามดูจิตดูจิตไว้มันมีความพยายาม มีความจงใจมีเจตนาไอ้นั่นแหะไอ้ตัวไอ้ตัวที่พยายามดูรู้เหยนเนี่ยเป็นพวงแตกเราไม่ได้ทําอะไรนะแล้วแค่เห็นว่าไอ้ตัวพยายามที่จะดูรู้เห็นจิตจงใจจะดูจิตมัน็นได้เป็นพวงแตงแค่รู้แค่นี้น่ะไอ้ผู้จิตมารู้ว่าตัวดูเนี่ยตัวรู้ที่เป็นตัวพยายามมันเลยกลายเป็นไอ้ตัวนั้นคือตัวพุทธะไอ้ตัวหลังนกลายเป็นตัวพุทธะไงพอไอ้นี่พยายามขึ้นมาปุ๊บไอ้ตัวหลังจะรู้ว่าเออไอ้ตัวที่เองพยายามไปดูจิตเนี่ย เอกปตึ้งปงแต่งไอตัวหลังเนี่ยมันกลับมารูวา้ว่าเออพอเราทุกครั้งที่เราพยายามจะดูจิตจะทํางานเนี่ยก็จะเริ่มต้นจะดูจิตไอตัวหลังที่มันรู้ว่าเราในเริ่มต้นจะดูจิตไอตัวหลังมันเป็นพุทธาไอตัวที่พยายามดูจิตจ้องจิตเพ่งจิตไอตัวนั้นคือดูปงแต่งไอตัวพุทธามันมาที่หลังมั น, ม, นมันก็มันก็เห็นว่าไอตัวเนี้ยกำลังพยายามที่จะดูจิตแต่บังจงใจจะดูจิตแตาบังจะเพ่งจิตไอตัวที่รู้ว่าหลังเนี่ยที่เนี้ยมีความจงใจดูจิต อันนั้นเป็นตัวพุทธนะยกตัวอย่างหลวงพุธเทียนเนี่ยง่ายดียนหลวงพูธเทียนเนี่ยเห็นกิจยาอาการาาจัิตท <prene> ุกอันแล้วที่สุดเราเห็นจิตเนี่ยที่มันคิดเห็นจิตที่มันคิดทุกคิดเห็นทุกคิดเห็นทุกคิดเพราะหลวงพูธเทียนเนี่ยจะเอารู้จะเอารู้เลยเห็นจิตที่คิดหมดเพื่อให้เป็นรู้หลวงพูธเทียนเนี่ยเห็นจิตที่คิดหมดเลยคิดเลย แล้วเห็นมาหลายวันแล้วเนี่ยตอนเนือนทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเห็นทุกคิดเพื่อเจ้ารู้เห็นทุกคิดนะเพื่เจ้ารู้แต่รู้เนี่ยท่านลืมไปท่านไม่ได้เฉลียวใจว่ารู้เนี่ยคือท่านตั้งใจจะรู้มาหลายวันมากนะรู้ตอนเนื่นไม่ขาดสายเลยตั้งใจที่จะรู้วันตอนไม่ขาดสายจนถึงเวลาหกโมงเย็น อสานก็ได้จับความรู้เลยยานีจับความรู้ไปล้เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ออกมามีกี่ตัวเนี่ยมีกี่ตัวคนละตัวไม่รู้เรือตัวไหนรจิตมันหลัก็คนี่แหละติดหรือป่าแล้วในหลวงพ่เียนนั่นก็ดูจิตเนี่ยรู้จิตเนี่ยรู้ทุกคิดรู้ทุกคิดเลย ไงี้ตอนเนื่องทั้งวันทั้งคืนด้วยนะรู้ทั้งวันทั้งคืนรู้ได้เก่งกว่าลอยรู้ทุกทิดเลยทั้นทั้ ง, นนงคืนพอถึงหกโมงเย็นเนี่ยไม่ทราบมีใครมามายันท่านเออมาซุกตีกข้างท่านแค่เข้าป่าอีสานมาทุกตีข้างท่านปักตกใจหก โ, โมงเย็นเลยเราปฏิบัติอยู่ในที่ในชายป่าอย่งนี้ทำไมให้มัตักเราว่าให้มาผักเราว่าะก็หาไม่หาคนผัก สังเกตไหมดูจิตมาตั้งหลายวันดูทุกคิดไม่เคยเว้นเลยคพณผู้ชม เ, เห็นทุกคิดเพื่อให้เป็นรู้ไม่ติดป็นคิดเพราะว่าคิดที่จิตปุ่งแต่งจะได้พ้นจากจิตปุงแต่งมาเป็นรู้แต่ไม่รู้ว่าไอ้รู้นะี่คือปุงแต่งเพ้าอะไรเพระาะขยันโครงปุ๊บเฮ้ยขยันอยู่วะหาแล้วหาพอหาแล้วทิ้งอะไรทิ้งรู้ พอหาพบทิ้งรู้เลยตอนนั้นนร า, าไม่รู้แล้วความคิดไม่ไม่ได้รู้ความคิดแล้วท่านพูดเองเลยเท่าไหร่นี่ยพราะตอนที่หาเนี่ยไม่ได้ดูความคิดแล้วไม่ได้เห็นจิตที่คิดแล้วเพราะมัวแต่ไปหาใคร่วใครมาทุบเราใครมาทุบเราอ่าก็ไม่เจอไม่มีใครมาทุบเราอา่ะอย่างนั้นเริมหาเอาใหม่ดูความคิดใหม่ดูจิตที่คิดใหม่คนเริ่มต้นจะดูกันนั่นแหละ เอ้ามันต้องตั้งใจจะดูมันที่จะมีการดูขึ้นมานี่วะไอ้นี่มันปรุงแต่งนี่เมื่อกี้มันหายไปแล้วอะเออเนี่ยไอผู้รู้นี่ปรุงแต่งนี่หวะเนี่ยเลยไปพบผู้รู้อีกตัวหนึ่งที่รู้ว่าไอเนี่ยกัอเนี่ยคือไอผู้รู้เนี่ยคือปรุงแต่งไอตัวหลังเนี่ย มันเป็นพุทธะไม่ปรุงแต่งเพราะมันรู้ขึ้นมาเลยมันไม่ได้ต้องจงใจจะรู้พอไอ้นี่เริ่มปรุงแต่งจะไปรู้เนี่ยมันรู้ขึ้นมาเลยพร้อมกันไอ้นี่ปรุงแต่งนี่ว่าเนี่ยโอ้โหเราปรุงแต่งมาตั้งหลายวันลงเอาให้ผูรู้เนี่ยเป็นพุทธแะแต่จริงมันปรุงแต่งแค่นั้นแหละอ้าเนี่ย ลองให้มันหายสิไปดูคนนั่ตัวนี้เอ้าไม่รู้แล้วลองมาดูใหม่อ้าวนี่มันปรุงแตง่งนี่วะเลิกเล่นได้เราเล่นเองนี่วะเนี่ยพอเลิกดูก็เลิกจะให้เล่นเวลาจะเข้ามาดูใหม่ก็ดูได้เลิกเล่นก็เล่นได้ตั้งใจจะมาดูใหม่อ้าดูมันปรุงแตง่งนี่วะเนี่ยแค่นั้นแ่ะสิ่งความปรุงแต่งเลยไม่รู้อะรหันเลยม <S <S เุเตียนท่านบอกว่าขนาดนั้นเนี่ยมันเหมือนไอ้ เ, เปรียบท่เปรียบอะท่านเปรียบว่าจิตของท่านขนาดนั้นน่ะ มันเหมือนไดโน้มกิ่งไม้สองกิ่งมันยังใหญ่ต้นไม้ที่อ่อนๆเนี่ยแล้วโน้มมนได้กำลังแรงเอาเชือกมาผูกข้างหนึ่แล้วโน้มมันแล้วมาปุยข้างนึ่งจกุดก๊างต้นไม้นี่มันตึงมากเลยแล้วใช้ไอ้มีดหรือว่ากันไกคมคมตัดจึ้งต้นไม้นี่มันดีดกลับเนี่ยไอไอความที่สันตติคือขาดจากรอยต่อของของสิ่งทั้งมวลเนี่ยมันในใจเนี่ยมันปึ้งขาดประเด็นไปเลย ไม่ว่าจะปรุงแต่งยังไงฮดึงมาให้มันติดกันไม่สามารถจะดึงโน้มมาได้เพราะว่าีตอนโน้มมาเนี่ยมันเป็นเชือกเส้นเดียวกันแล้วพอมันขาดแล้วพยายามจะดึงเอาเชือกเนี่ยมาต่อกัน่ะมันไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นน่ยโน้มมาจนท่านบอกว่าโน้มมาซะจนเนี่ยเหมือนกับไอ้ไอ้ต้นไม้มันโน้มมาซะจนมันจะติดกันแล้วมันองมันเป็นเชือกเส้นเดียวกันพอมันขาดแล้วพยายามจะโน้มกลับมาเอามาต่อกันน่ไม่ได้ต่อไม่ได้เพราะมันตึกมันขาดจนอย่างนั้นเลยท่าบอกว่าขณะจิตที่เห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยเป็นผู้ปรุงแต่งนั้นเนี่มันขาด มันขานเลยบรรลุอรหันต์ตอนไหนทุกหลายรอบแล้วครับที่หลงตาคอยอยู่แล้วก็กลับไปทางเก่ากลับไปติดติดแล้วเนี่ยครับหลงตาที่ที่หลวงตาบอกว่ากรุงๆๆแล้วหยุดปุงนะครับก็ทางเก่าที่มันแย่แต่มัน มันมีวิธีการเข้าไปติดไม่เหมอนกันคือเดิมก็รู้แต่ว่าฟังฟังทำแล้วมันก็ว่างแต่ตอนนี้มันเห็นคิดที่เคลื่อนไหวแล้วมันหยุดมีเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดก็เข้าใจที่ของดวงตาว่าคือช่วงที่หยุดเนี่ยไม่ใช่อะไรเข้าใจว่าความคุงแต่งเนี่ยมันมีเราพอไม่มีเราปุ๊บมันก็ฟึ๊บเพียงแต่ว่ามันมีความเข้าใจในความคิดเฉยๆครับแต่มันก็ไปปุงแต่งมันจะเป็นช่วงหนึ่งๆซึ่งมันก็ไปติดว่างอย่างเดิมนะครับแต่ถ้าอย่างเนี้ยเข้าใจดู เข้าใจจิดที่มันเคลื่ไหวตลอดเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วก็เมื่อไหร่เฉื่อยไปเป็นจิ ต, ลตแลก็เมื่อไหร่ไม่ใช่ก็มีปัญญาดีตรงนี้เ่าคือปัญญานี้มันเป็นญาที่ปัญญาที่ไม่ใช่ว่าเราเราแค่คิดคิดออกปัญญาตรงเนี้ยมันเป็นปัญญาที่เข้าพูดแล้วเนี่ยมันมันมันซึ้งถึงใจมันเป็นปัญญาที่ซึ้งถึงใจจริงๆอ่ะมันถึงใจ ในใจของเราเนี่ยมันปรุงแต่งทั้งนั้นแน่ไอ้ที่ปรุงแต่งทั้งหมดทำไมเช่เราทั้งหมดเลยไปเอาไปคว้ามาสักอันเดียวทุกอย่างในใจของเราที่มีอาการทั้งหมดแต่ปรุงแต่งทั้งหมดมันไปคว้ามันไปตัวเราสักอันเดียวคือมันขึ้นถึงใจขนาดนี้มันไม่ไม่ไปไล่รู้อะไรเลยคือมันมีแต่ในรึกถึงใจว่าทุกฤยาการสังขารในใจเราเนี่ยมันปรุงแต่งทางนั้นเนี่ยไม่ใช่เราหรอกเพราะเราคือกุศลคือไอ้ไอ้พูรู้ที่ไม่มีตรวตนนู่นอย่งไรไม่มีอาการอะไรเลยอัน อาการที่เป็นความรู้สึกนึกิอารมณ์เนี่ยในใจเราทุ่ขนาปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรเป็นตัวเราสักอันเดียวไม่มีอะไรเป็นของของเราสักอันเดียวเราวันนี้อันหนึ่งอีกตัวนหนึ่งคือตัวไม่กลมแตลงมันเข้าใจถึงใจไม่ใช่ว่าเข้าใจเพราะมีวิธีการไปดาเนินการไม่มีหรอกมันไ ม, ม่มีวิธีการไปจัดการวิธีการไปดําเนินการมันเข้าใจได้ใจแล้วมันก็เลยปล่อยวางความหลงเข้าใจด้วยใจ่เลยปล่อยวางความหลง ให้ตรงเนี้เขาเรียกว่าอาวิชาดับไปนี่ไงไว้าวางความหลงหลงผิดไม่มีวิธีการที่เข้าไปจัดการไว้าวางความหลงเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงเข้าถึงใจเลยเข้าถึงใจและไม่หลงไปเอาสังขารทั้งมวงมลมาเป็นเราเป็นตัวเราเปตัวตนองเต่อไปครับจากนั้นมันเลขาสนิทขึ ก, กันละกันส่วนปรุงแต่ง ควางแต่งไปของมันคือสวนที่มันยึดไข่ส่วนที่ไม่ปงแต่งคงเป็นความไม่ปงแต่งของมันตลอดกาลไม่มีใครเอาความไม่ปงแต่งไปยึดความคงแต่งเพราะผู้พยายามยึดความปงแต่งผู้พยายามปล่อยความคงแต่งมันเป็นความปุงแต่งผู้พยายามยึดความคงแต่งผู้พยายามปล่อยวางความปรงแต่งมันเป็นตัวความคุงแต่งแต่ ในความปรงแต่งทั้งหมดไม่มีใครไปยึดเลยว่าเป็นเราเปตัวเราเป็นของขงเราผมปล่อยให้มันปรงแต่งตามธรรมชาติแต่ขาดตัวเดียวขาดผู้เข้าไปยึดหรือเราใช้คำว่าสิ้นผู้สเสมอทิ้นผู้สเสมอคือปล่อยให้อาการของสังขารเขาคงมีอยู่นั่นเองตามธรรมชาติแต่มันสิ้นตัวเดียวคือ ตินผู้โศว์แต่ภาษาธรรมเรียกว่าติ้นผู้ยึ้มมั่นถือนั่นติ้นหลงยิ้มั่นถือมัน่นติ้นผู้หลงยิ้มั่นถือั่นไปเอาสังขารห้งมลวลัเป็นปลาวจมาเพือเป็นของันคือแม้ว่าเข้าใจดวงติ้งตาบอกมีสา ร, รกา ย, ยมันก็ยังเป็นความคิดจแต่ถ้าเข้าใจได้จิตี่ทุกอย่างมเป็น ส, นสังขารคงใจก็ติ้นความยึดมั่นถือนั่นอะนรที่มันจริงจิตจริงคก็คืจิตั้งใจ มันจึงมีภาษาว่าผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงบาริพานผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงบาริภานมันไม่ถึงใจสติที่พูดเนี่ยมันไปแค่ความจำแม้แต่เข้าเข้าสูกที่ของตาบอกก็คแม้ผมจะเคยเข้าใจเข้าใจจริงๆเป็นความจํงอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วมันก็ยังไม่ยังไม่ถึงใจเสร็จแล้วท่านก็ไปปรุงอีกเพราะอะไรท่านยังไม่ถึงใจอมีใจมันหมายยังอื่นไว้แต่ไงพอท่านหมายยงอื่นไว้ท่านหมายติตัวจนกระทั่ง ตลอดเวลาที่ท่านปฏิบัติการละลายปีตุ่มาเช้าวเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าท่านหมายผิดตัวพอท่านหมายผิดตัวมันก็เลยผิดตัวตลอดเวลาไม่มีทางที่จะถูกตัวได้เพราะว่าท่านหมายเอาว่าขนาดจิตที่ไม่คิดที่ติดตอมปรงแต่งคือเป็นตัวไม่ปรงแต่งขนาดจิตที่มันไปคิดไม่ติดตอมไอตัวนี้เป็นตัวปรุงแต่งเอาไอตัวปรุงแต่งกับขนาดที่มันหยุดคิดเนี้ยเป็นตัวเดียวกันแต่เอาขนาดที่มันมาหยุดคิดเป็นตัวไม่ปรงแต่งกับเอาขนาดที่มันไปคิดเป็นตัวปรงแต่ง พอความเข้าใจอย่างเนี้ยมันคาอยู่เนี่ยถึงสอ น, นยังไงมันก็หมายไ้วยคนละอย่างกันเราพูดอีกอย่างหนึ่งทุกท่านก็หมายด้วยอย่างาเช่นอาอย่างหนึ่งมันจะหมายผิดกันอยู่อย่างนี้ไงเพราะหมายผิดกันอย่างนี้มันไม่แก้ที่หมายมันไม่ใช่ว่าต้องไปจําแล้วไปมีวิธีการอะไรนะเมื่อก่อนเนี่ยเราไปเราไปก่อนจับเราไปจําได้เลยแเราขับรถไปกับติว่าไปไโรงพยาบาลจับตุ้งก็จะ น, นีนะวันนี้ก็ ไปไม่ถูกปัะก where ็โทรถามทางว่าโรงพยาบาจับตุกและตะมีเนี่ยมันไปทางไหนเออขึ้นทางด่วนจากบ้านไปแล้วมันไปตรงไหนพอไปติวก็เป็คนขับมานเป็นคนนั่งไปเริ่ตามเป็นอะไรนั่นก็เป็นไปขับเป็นตุกตาเขาบอกว่าเวลาขับรถแล้วมันเลี้ยวแบบนี้พอถึงตรงสี่แยกสี่แยกที่จะออกเอ้เออเออเออแล้วเอาอองมอเตอร์เนี่ยที่จะให้เลี้ยวทางซ้ายหน่อยปุ๊บเออโกรกเนี่ยมันก็จะไปเจอเออเออจับตุกเลยให้คิดซ้าย เขาอกว่าท oh, right. so ิศซ้ายเลยนะพอตรงนี้เราจะก็จะเจอเลยเห็นรถพยาบาลเลยอ้าวพอโตเตาก็บอกเออเตียวจที่ซ้ายหมจะทิศซ้ายไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจออว่าทิ้าแต่ตีว่าขับรถเลนขวาตลอดเลยจาได้ไหมขับรถเลีขวาตลอดเลยบอกว่าโตตัาเตวทิศซ้ายอ่าหนึ่งไฟแดงนะอ้าวทไมเธอไม่ทิศซ้ายรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว แต่อยู่เลนขวาสุดอ่ะเดี๋ยวจนถึงนู่นน่ะส่แยกอสปทออกทางออกแล้วอ่ะเลี้ยวที่เธอจะไมไหาเนี่ยจะไปทางสารรัชดาเอา้านี่มันไปไหนทางสารัชดามาเลี้ยวขวาเนี่ยนึกว่าจาักรุรัตนีนินเนี่ยมันจะต้องเหตุไปทางสารรัชดาด้วยมันหมายไว้ในใจเอ๊ะใใอเ มันก็เลยจาไม่ได้ฟังก็ต้องฟัเก็นได้เลยคุยกินกังทำยังสื่อสารคนก็ไม่ได้มาให้ได้ทำยังทำได้ เขพูดเรื่องเดีวกว่าเข้าใจเข้าใจที่เราคือพอถึงใกล้เสแยกนะเลี้ยวปากขวาไปซ้ายกี่เลนอะตรงนั้นอะเลี้ยวซ้าหลังไม่มีเนี่ยคือไปรู้สึกตัวตกใจเอาตอนที่มันไพไพ่จริงนะนี่เห็นไพ่ไม่ได้เจอไพ่แล้วผู้ปาดขวาไปดิ ร้านนั่นเลยแต่รถของหลานไม่มีนะไม่ครับรถผมจะยังทันทำเอาหมายผิดไปอย่างนี้ต่อแส่งทันอยู่เราต้องบอกมันไม่ยึดกรรมวิธีแต่พวกท่านนอาหมายผิดไปในใจเขาท่านไม่รู้ตัวว่าพยายามพูดแก้ที่ท่านหมายไว้ในใจเนี่ยท่านก็ไม่รู้ตัวว่าท่านหมายผิดเราพ็ยามพูดมาหลายปีให้ท่านแก้แต่ก็ยั ง, ยงว่าให้ใช่ใช่โอ้โหพูด ฟองเขาที่เก็ตเลยเก็ตที่อาจารย์พูดเลยแต่เก็ตอีกแบบหนึ่งง่มากเลยตรงเนี้ใช่จะแต่ใช่อีกแบบหนึงทุกทีเลยผมเข้าใจที่หลวงตาบอกเลยนะฮะคือตั้งแต่ผมเริ่มภาวนาฟังหลวงตาปุ๊บ ก, ก็ไปทําว่างตลอดลแลเริ่วงตาบอกอย่างนี้อย่างนี้ฟังทําไม่รู้เรื่องผมก็ยังคิดว่าผมฟังรู้เรื่องอยู่จนแบบนั่งฟังจนทุกวันนี้เหมือนเข้าใจพ่าสิทมันเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ทั้งฟังแต่หลวงตามันก็เข้าไปสร้างความว่างปุ๊บ ผมก็ดังเนี้ยผมก็จะทำยังไงเนี่ยไม่อยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยครับผมมามันจะเอาออกมันก็ไม่ไม่เป็นฟังก็ฟังก็เข้าใจรู้ว่าตัวเองไปทําความว่างอยู่ด้วยนะผมมาจะจะทํายังไงกับมันมันก็ออกไม่ได้แต่คราวนี้ก็คิดว่าตัวเองไม่ได้ติดความว่างแล้วก็รู้ว่าความว่างมันต้องปรงแต่แต่จริงๆแล้วอ่ะคิดว่าตัวเองเข้าใจจุดที่ปรุแต่งแล้วก็เลยมันก็พอไม่ได้สร้างความว่างไม่ได้สร้างอลไรมันก็เลยจบเลยแต่จริงๆพอไม่ได้สร้างอะไรเลยมันก็กลับไปสร้างหยีกนะครับผมมาด้วยการหยิดคิดก็คือผมไปหยิด จิตจิตตัวแต่คราวนี้ยตอนนี้นเข้าใจแล้วว่าไอ้หยิบจิตจิตตัวอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้รู้เนี่ยมันอยู่อย่างเดียวคือผมอ่ะไปเฉลยอารมณ์ผมยึดมั่นกับทั้งฐานกายฐานฐานจิตนะครับลงได้คือถ้ามันคงเกิดขึ้นแล้วเราเป็นผู้รู้อย่างเดียวไอ้ความเป็นผู้รู้กับความไม่ยึดมั่นเนี่ยมันคล้ายค้ายกันคือมันก็ไม่ต้องมีอะไรแล้วครับนนั้ คือก็คงคนอยู่กับความปุงแต่งถ้าอันใดครั้งใดเราไปเป็นสำคัญจิตน ะ, ระครับของเราไปมีอารมณ์ร่วมหรือไปอยากปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยก็เป็ น, ปนผู้รู้อย่างเดียเดี๋ยวได้ไปปรุงก็ยังหมายถิ่นยังหยถิ่นนี่คืยังหมายถิ่นามว่าถูกไหมคำพูดทันทีแว๊บเนี่ยท่านหมายผิ่เลยเรารู้เลยท่านหมายผิ่ก็ยังทำอะไรอยู่ก็ใช่ไม่ใช่ท่านหมายผิด หมายถิ่อะไรนะี่ตรงนี้ตรงท่านตรงนี้ยที่ทุกคนก้หมายถิ่ตรงนี้ท่าว่าอ๋อแต่ยังขนาดจดิตใดที่เราเนี่ยเผลอขนาดจดิตใดที่เราเผลอแล้วเราก็เป็นตัวผงแตกเราก็เออเราก็กลับมาเป็นตัวไม่ผงแตกใช่ไหไม่มีเราเผลอได้หรอกเพราะว่าเรามันเป็นมันไม่มีมมมเป็นธรรมชาติที่ผงแตกอะไรไม่ได้มันจิตไม่มีเราเผลอหรือเราเรามีสติ ไอ้ผู้ที่มีสติหรือเผลอเนี่ยมันเป็นตัวประดับข้งหมดเราเนี่ยไม่มีเลยตัวเราเนี่ไม่มีไอ้ที่ตัวเผลอหรือตัวตัวที่ไม่เผลอเนี่ยมันก็ไม่มีตัวเราอีกตัวนั้นน่ะเพราะไอ้ตัวเผลอเนี่ยมันก็ต้องอ่าตันั้นคือขาดสติไอ้ตัวที่มีสติมันก็เป็นตัวสังขารไอ้ตัวที่ขาดสติก็เป็นตัวสังขารคือตัวขาดสติเปนตัจิตงั้นจิตเดียวไอ้มันขาดสติคือไอ้สติเนี่ยมันมันจิตตอนนั้นมันขาดสติ ก่อนหน้าจิตมันมีสติแต่ไปเป็นจิตทั้งหมดแต่ไม่ใช่ตอนแรกจะรู้ว่าจิตมีสติจิตขาดสติถูกต้องไอผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าไปรู้จิตที่ขาดสติแล้วก็จิตเฉลี่ยเพียงแต่ว่าจิตจะขาดสติมันก็ไม่ไปยึดเอาจิตที่ขาดสติมาเป็นเราว่าเราขาดสติตอมันขาดสติมันก็ไม่ยึดไอจิตที่ขาดสติว่าเราขาดสติเพราะเราไม่มีไงไอตัวไอเราที่ขาดสติเนี่ยคือไอตัวจิตที่ขาดสติ แต่ท่าไป ย, ยึดเอาตัวเราและที่ขาดสติเป็นตัวเราแต่ไอตัวที่ที่ขาดสตินั่นคือจิตที่มันตอนนั้นมันขาดสติแล้วตอนหลังจิตมันก็มีสติขึ้นมาแล้วท่านไป ย, ยึดเอาไอ้จิตที่มีสติเป็นตัวเราน้อยนิดนึงที่เอาผลประโยชหรือว่าอยากให้จิตมันเป็นยังไงไงนะอันนั้นคือเราน เ, นเป็นจิตเรใช่ใชาไม่ได้เป็นผู้รู้แต่แม้แต่เรื่องสติเรื่องอะไรจะเอาอะไรก็ตามนิดเดียวก็ไม่ได้ ใช่เอาอะไรก็เป็นจิตคือวุ่นอะไรกับจิตนีดเดียวก็ไม่ได้แค่เหลือบมองแค่อะไรเงี้ยก็เป็นจิตแล้วไม่เลือนผู้รู้แต่ไม่ใช่พูดอย่างนี้แล้วเราคิดพัายามทำลายจิตนะมจิตก็คงเป็นจิตอยู่านะจิตก็คงเป็นจิตอยู่นั่นเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดอย่างนี้เราพยายามไปทําลายจิตคือจิตก็คงเป็นจิตมันแต่เราเป็นความไม่มีก็คงเป็นความไม่มีตัวเราอยู่ คืยไปเดี๋ยวก็ไปทำให้มันปรากฏเออคนบอกหมายมันผิดไงหมายผิดหมายผิดพอท่านฟังท่าจะกลับไปทำอย่างที่ท่านหมายไว้ติวมุลสิตีดิับรไปดังขวาเราให้เลวใไปดังขวามันมันหมายผิดไเดี๋ยวทากลับไปก้อไปทำอย่างที่ท่านหมายพราะท่านหมายว่าไอ้ตัวที่มีสติเนี่ยคือตัวเราไอ้ตัวที่ไม่มีสติเนี่ยเป็นตัวปรงแต่งท่านหมายอย่างนี้มันจะใเมื่กีท่านพูดเองเราเรียนรู้ว่ท่านหมาย ท่านเอาไ้ตัวที่มีสติเป็นตัวเราและตัวที่ขาดสติเป็นตัวปุ่งแตงไม่ใชตัวเราเดี๋ยวถ้ากลับไปท่านพยายามจะฝึกท่านพยายามมีสติตัวที่มีสติตัวที่ขาดสติมันก็เป็นตัวปงถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องต่วไหนเรายกตัวอย่างนึงให้เห็นชัดหลวงปู่บัวเขียริบุโนวัดตาน้องแตง ท่านม่มีกิเลสมาเลยหลายปีเพราะท่านมีสตินีไ่ไงมีสติสติท่านไม่ขาดเลยไงท่านเลยไ ม, ม่มีกิเลสเลยคือไม่อยู่ความหลงเลยมาหลายปีเพราะอะไรจิต ท, ท่านไม่ขาดสติจิต ท, ท่านมีสติจิตท่านไม่ขาดสติจิต ท, ท่านมีสติเพอมีสติมันก็เลยไม่หลงเลยไนงะไม่หลงเลยลูกตา ม, มหาบัวรู้เลยลุกทางไกล ว่าหลวงปูบ ال ัวตึกศิริปนโญ่บัวเหมือนกันลงปู <is> ่บัวถึงรปนปันน้องแสงยังยึดอยู่เดี๋ยไม่เดยไม่รู้เดียวไม่รู้ตัวลุงตามมาหาบัวไอที่วัดไปหาที่วัดแล้วไล่ซักเอาเลยไล่พี่ไล่ไล่ซักเอาท่านจะท่านปฏิบัติยังไงไหนเล่าให้เราฟังสิท่านก็ลูกศิษยงปู่มั่นเหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่เยยอมง่ายง่ ก็ลูกศิษอาจารใหญ่เหมือนกันเราลูก ป, ปูบัวสลีปุ โ, โนนี่เข้าฌานเร็วมากเข้าฌานออกฌานเร็วมากนี่อันลูกศิษย์พระอาจารใหญ่เหมือนกันด้วยแต่ท่าคนคงจะคุ้นึังชาลิกา้ตาตงหาบัวชาลิกาอันรักปก็ ไ, <c oughs> ไม่มีกิเลสแล้วจะเอาอย่างไรนะเฮมยนี่ก็ขึ้นเลยของก็พระกระล้วไม่มีกิเลสมาทางหลายปีแล้วจะเอาอย่างไ มันมีสติตลอดนี่มีสติตลอดไปตัวเอาตัวที่มีสติเอาเป็นตัวเราอะมันก็เลยเอาไอ้ตัวที่สติเอาเป็นตัวเราไอ้ตัวมีสติเป็นตัวเราไอตัวมีสติเป็นตัวเราอะมันก็ไปยึดว่าตัวเรานี่คือใส่ผ้าขาวเปรียบเหมือนตัวเราใส่ผ้าขาวสะอาดเนี่ยผ้าสะอาดอย่างเนี้ยเราจะเอายังไงอีกสะอาดจริงจรงอีกแล้วเนี่ยไอ้จิตที่มีสติที่มันสะอาดเนี่ยจิตที่มันใส่เหมือนกับถ้าพูดถึงกายที่ใส่ใส่ผ้าขาวเนี่ยมันสะอาดขนาดเนี่ยเราจะเอายังไงอีก เขาแล้วของขึ้นแล้วแล้วใครคนที่ใส่ผ้าขาวมันยังรักษาผ้าขาวอยู่เนี่ยมันทุกข์ไหมขาวสะอาดขาวสะอาดคนไหนขาวสะอาดจะยืนพิงฝามก็ไม่พิงแล้วจะนั่งก็ไม่นั่งคนนั่งก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้เพราะว่ามารักษาผ้าขาวไปอย่างนี้มันจะสิ้นทุกข์ไหมเนอะใครเราเป็นคนรักษาเนี่ยไม่มีไม่มีกิเลสเนี่ยใครลราคนไหนรักษาคนนั้นเน่ยคือเอาวิชา โอ้โหใสเลยท่านมีเอาวิชาท่าจะไม่เห็นอีกเอาวิชานี่ไปรักษาตัวที่มีสติเป็นตัวเราทัา น, นี่เอออะไรใสเอาใสเอาหลวงปู่บัวเปรีสุธิยุบนณโง่พิจารณาโอ้โหใช่เลยเอาไว้จิตที่มีสติเป็นตัวเราจิตที่ป็่วิสติไม่ใช่ตัวเรา มันก็เลยเอาตัวเราเป็นผู้มีสติตัวเราเป็นผู้มีสติตัวเราเป็นผูกมีสติเลยรักษาตัวเราดีนะเหมือนกันตาไปก่องสุดท้ายเนี่ยจิตมีสติก็เห็นว่ามันเป็นสังขารภรุงแต่ที่ไม่ใช่ตัวเราเลยพ้นจากตัวเราไปเลยนั่นคือพ้นถึงว่ามันเลยไม่ใช่เราไม่ใช่หลงเอาไว้มีตัวเราอีกตัวหนึ่งคือตัวเราไม่มีเลยกลายไปถึงความไม่มีตัวเรา ไม่มีตัวเรานะกลายเปถึงความไม่มีตัวเราไปเลยเพราะไอ้จิตที่มีสติยังไม่ใช่ตัวเราอ่ะผู้มีสติยังไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันเลยกลายเป็นหลุดไปเลยอ่ะหลุดไปปุ๊บกลายเป็นไม่มีตัวเราไปเลยไอ้ส่วนจิตที่ยังมีสติก็ยังมีสติอยู่แต่ไอ้จิตที่มีสติก็ไม่ใช่ตัวเราเลยไปเลยอ่ะไอ้จิตยังมีสติอยู่นะไม่เชีเพราะไม่มีตัวเราแล้วจิตมันขาดสติไปหลงอีกไม่มีอแล้ะเพราะมันฝึกจะมีสติมาตลอดแล้วเหมือนหลวงปู่เทียนอ่ะคุณจะมีสติมาตลอดแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นเนะี่ยพอมันไม่ยึดเอาไอ้จิตที่มีสตินี่ยมันเป็นตัวเราเนี่ยมันเลยกลายเป็นความไม่มีตัวเราแต่อีจิตที่มีสติไม่ยังมีสติอยู่แต่ขาพูดมันยึดเอาไว้จิตที่มีสติเป็นตัวเราแค่นั้นทนะ่านบอกว่าขณะที่เขาใจเนี่ยเสียงดังโครง่งเฮ้ยทำไคานได้ถึงกุฏิหักได้ไเนี่ยต้องลงมาฉายไฟดูอ้าวคาได้ถึงกุฏิไม่หักเวย้ย แต่คานเอาวิชาหักเป็นที่มาของทีง่หนังสือตามราคานเอาวิชาหักขนาดจิตที่มีสติยังไม่ใช่ยังไม่ใช่จิตยังไม่ใช่สิตเดินแท้เลยขนาจิตที่มีสตินะไม่ได้ขาดสติลงไปคิดอะไรนะนี่ไอตัวยึดหลงไปยิดอะไรมันยึดไม่ใช่ใหญ่แลย้ยนี่ขนาดจิตที่มีสติไม่หลงไปคิดอะไรมันยังไม่ใช่เลยตัวเนี้ย มันจะเป็นสังขารคุ้แต่งเลยอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยอย่างเพียงแต่ไม่มีใครมาคิดมั่นถือมั่นว่างก็ไม่ีใครมาคิดมั่นถือมั่นไม่ว่างก็ไม่ีใครมาคิดมั่นถือมั่นหลงก็ไม่มีใครมาคิดมั่นถือมั่นพอมีสติแล้วก็ไม่มีใครมาคิดมั่นถือมั่นทุกอย่างมีหมด และมันมีเพิ่อมอีการคือความไม่มีในความมีมีความไม่มีในความมีเนี่ยมีความไม่มีในความไม่มีเนี่ยมีความมีหลวงปู่สมัยที่ชา ย, ยุโกเนี่ยจึงเอาคำของหลวงปู่ม่านเปรย์โตมามาถามปัญหาเราอยู่เลยอะไรเอ่ยมีไม่มีไม่มี มีอาารย์ชูจำแม่เพราท่องอยอะท่องบ <te ach> ่อยไหนพูดคานี้อาจกรย์ช่วยยังไงครับเดี๋ยวเราจะจำ <te ach> มาผิดมีไม่มีไม่มีมีนี่คืออะไรคือมีติดหมดคิดแก้ไม่ไเชิญที่ไรชัดตั้งอักแบบปวแค่ปที่มาเกิดมีต่างๆทั้งเหตุแล้วดับไม่มีชัดใช้จัดคนมีข้อต้นมีไม่มีม <te ach> ข้อกายไม่มีมีนี้เป็นคำที่ล้นลั้งใครเขเจับกระส่งไม่มีคำมีคำที่มั่นคงนี่แหละคองคำเกศไม่เล็กจริงเข้าใจมนเะ้าก็มันหมายไม่ิตตัวอีกหรือเปล่าไอ้เเข้าใจเลยไม่มีสังขารก็มีนะมีคำเก ก็คือว่าไม่ไม่เป็นสังขารอะไรอย่างนี้เป็ น, ปนรู้เปนผู้พักในความมีมันไม่มีในความไม่มีมันก็มีความมีในความมีมันก็มีความไม่ ม, มีสังขารทั้งมวลมันไม่มีใครมายึดมันม่นถือมั่นมันก็เลยมีคำเป็นเถกขันมั่นคงเนี่แหละ อ, องค์ทเัเบกที่เลวที่สุหัวใจอี่ตรงนี้ เราจำต้องหลวงปู่บัวสิลิโกโนลวัดป่าหนองแสงกันดีบหลวงปู่เทียนกตอนที่เป็นพระนิพพานคือแม้แต่ผู้รู้ผู้รู้ผูรู้ไม่เคยขาดเลยผู้รู้เนี่ยก็คืออันเดียวกับหลวงปู่บัวศิลิโโนเพราะอะไรผู้มีสติผู้มีสติไม่เคยขาดเลยเลยไม่มีกิเลสมาตั้งหลายปีกับที่หลวงปู่เทียนบอกมีผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทุคิดมันจะมีกิเลสได้ไงมันรู้ทุคิดแบบไม่มีหรอกอันเดียวกันในผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ที่ไม่เคยขาดไม่เคยหลงเลยมันก็คือผู้มีสติ แต่ท่านใช้คำพูดคนละตัวหลวงปู่บัวปิพนโอใช้คาว่าผู้มิสติเนสิมิสติมีสติสติไม่ษษๆๆๆๆเคยขาดเลยม่เลไม่มีกิเลสเลยไม่มีิเลตั้งหลายปีหลวงปู่หลวงลั้หลวงปู่เียนผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รูู้รู้ทุกมัดแล้วจะมีกิเลสได้ไงเพราะรู้ทุกคิดไอตัวที่จะปรุงกิเลสได้ไมันต้องคิดแต่มันหงคิดมันก็ยังมีกิเลสได้ไอันนี้มันรู้รู้ทุกิมันจะมีกิเลสได้ไงเปูรู้แต่เหมือนกันของที่ ไปยึดไปยิตผู้ไม่มีสติกับผู้รู้เนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราที่ตระผเราเลยมีความเพียนจนสุดความสามารถให้มีสติไม่ขาดแล้วเราก็กลับไปยิดเอาไอ้ตัวที่เราปุมไว้ตัวเองถามว่าเอาเช่นั้นอาจารย์ถ้าทงผู้ไม่มีสติก็ได้ทีไม่ต้องมีสติไม่ใช่ไอตัวสติมันต้องฝุน เป็นเรือข้ามฟ้ามึงได้เจ้าตัดหรือใครตัดเนืหรือว่าหาเหระก็ในชาติคือว่าเราต้องมีสติที่เราบังคับต้องมีสติน่ะแล้วมีปัญญาคืออย่าเข้าใจผิดตัวเพื่ออะไรเพื่อเป็นเรือข้ามฟ้าไปคือเรือข้ามฟ้าไปแต่ไม่มีใครยึดสติหรอกไม่มีใครยึดผู้มีปัญญาด้วยเพราะอะไรเมื่อถึงเวลานะมันก็จอดเรือไว้ดึงฝั่งแล้วก็วนไป มันผู้ที่พูดรู้ไม่สคยขาดเลยไม่เคยขาดรู้แล้วไม่พูดที่มสติไม่เคยขาดสติเลยเพราะว่ามันเปนยึดในยึดลอยตัวเนี้ยมันเป็นตัวเราเป็นของของเราแต่เวลาฝึกมันก็ไม่ดีมันก็เป็นพูดที่มีสติปัญญาหรือไม่ล่ะถ้าไม่มีสติเนี่มันหลงไปเรื่อยๆโลกโลกหลงไปเรื่อยจะเนี่เป็นทุกข์นะแต่ผู้ฝึกก็มันก็ไม่หลงนะไม่หลงไปกับอะไรเพราะว่ามันรู้ทุกอย่างที่หลงและไม่หลงที่มีสติล้วนแต่เป็นสังขารทั้งหมดมันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างเลยมันก็เลย ขอให้หลงไม่หลงยังไงก็ตามเนยมันไม่หลงแล้วเพราะว่าทุกใจของมันอะซึ้งถึงใจซึงถึงใจเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีเราไม่มีเลยทุกอย่างที่ปรากฏเป็นผู้มีสติเป็นผู้รู้ไม่ใช่เราทั้งหมดมันเลยกลายเป็นมีไม่มีนี่ไงพอถึงผู้ที่ไม่มีปุ๊บมันก็เลยมีธรรมที่มั่นคงนี่ไงมีไม่มีไม่มีมี เพราะอะไรเพราะไม่มีมีมาถึงไอ้ตัวที่ไม่มีอ่ะทุไม่มีตัวเราเลยมันก็เลยกลายเป็นมีธรรมที่มันคงเนี่ยคือองค์ขับเตุนี่เองแล้วก็ที่หลอกจิตเพี้ยที่การขึ้นนิ่ริตนิดหน่อยทีว่าเวลายกเครื่องเนี่ยเครื่องแล้มันจะเสริมติดติแล้วรู้ รู üh, ้ร well ู้ความคิดมาด้ยเคลื่อนหือรู้เรื่องควตรงนี้การที่รู้แบบรู้แบบผ่านไปเนี้ยยกกระเื่อก็รไม่ได้สนใจคือไม่ได้ติดต่อหรออะไเงี้ยการรู้อย่างนี้ก็คือเป็นการรู้รู้แบบวคชาถือว่าถ้าถ้าถ้าจะทำถูกทำถูกมันเป็นอย่างเงี้ยไปยกมือก็คือกายเคื่อนไหว กายเคลื่อนไหว s <S แต่คงมีแต an ่กายเคลื่อนไหวแต่ค in sort of like ือดูนั้นเนี่ยกายเคลื่อนไหวมีแต่อาการไม่มีใครมาลองรับมือที่เคลื่อนไหวเสียบเหมือนไม่มีผู้มายิดกายที่เคลื่อนไหวเรายกมือไปสิบสจังหวะสมมตินะแบบสิบสี่จังหวะเราไม่ได้ยกเป็นจังหวะเราสมมติยกให้ดูเงี้ยใช่ไหมเรายกมือขึ้นอย่างเงี้ยเจนว่ามันยกมือเนี่ยมือที่ยกขึ้นเนี่ยไม่ใช่มาลองรับแต่แต่คลามไม่มีอะไรแล้วมีแต่เคลื่อนไหวใต้มือที่เคลื่อนไหวไม่มีอะไร แต่นกอตเทียนยกมือเห็นจิตที่เคลื่อนไหวแต่ใต้จิตที่เคลื่อนไหวไม่เห็นนกอตเทียนยกมือกายเคลื่อนไหวเราไม่อยากใช้คานี้แต่จำเป็นต้องพูดกายเคลื่อนไหวใจว่างเปล่าจงะมีอะไรไม่มีอะไรปรากฏมือเคลื่อนไหวใจว่างป่าไม่มีอะไรปรากดมือเคลื่อนไหวเห็นจิตเคลื่อนไหวจิตเคลื่อนไหว ไม่มีอะไรมาลองรับจิตที่เคลื่อนไหวไม่มีใจปรากฏหลวงพเทียนเลยยกมือเคลื่อนไหวเห็นจิตเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวจิตเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวจิตเคลื่อนไหวแต่มือที่เคลื่อนไหวไม่มีอะไรมาลองรับดี่แต่ความว่างกับมือที่เคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนเห็นจิตที่เคลื่อนไหวแต่ไม่มีใ ค, าค ม, ม, มใคาลองรับจิตที่เคเลื่อไหเลยที่กำมีนั่นอยู่ มันมีสิ่งที่เคลื่อนไหวแต่มันมีมันไม่มีสิ่งที่เคลื่อนไหวมีสิ่งที่เคลื่อนไหวและมันไม่มีสิ่งที่เคลื่อนไหวมีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่มีสิ่งที่ปรากฏอันนี้สิ่งที่เคลื่อนไหวอย่งจิตวิญญาณเนี่ยมันก็คือความรู้ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเลยความรู้สึกในสิ่อารมณ์ความร้สึกพวนี้ก็คือเป็นจิตทังหม่หมจิตหรือไม่ในจิค่ะว่า คนถ้าถ้าถ้าปฏิบัติแลเทลินหลบหลือก้วผยกไปแล้วก็อความผิดขึ้นมาก็จะปรงต่ออันนี้ก็คือเถอไปแล้วหลบไแล้วก็คือในไม่ถือแล้วรู้ตัวกลับเพือนต่อมันก็เป็นพนละขั้นตอนนบเพู่อนๆแ่ตัอันนั้นมาหลงไาหลงไปก่อนแล้วว่ารู้ตัทันใช่ไหมแล้วก็กลับมาลูกตัว หลงไปแล้วก็กลับมารู้สึกตัวหลงไปมือมือยกไปหลายใจกว่าที่หลงไปแล้วก็เอากลับมารู้สึกตัวยกไปแล้วก็ทุนทิดทีเรากลับมารู้สึกตัวอย่างเงี้ยนี่มันคนละขั้นตอนกันเสร็จแล้วมันก็เอามารู้สึกตัวจนไม่หลงแต่แม้แต่รู้สึกตัวไม่หลงแล้วก็ไปหลงเอาไอ้ยุทธเอาไอ้พูดที่รู้สึกตัวน่ะเป็นตัวเราตัวเราไม่หลงแล้วตัวเราไม่หลงนั่นแหละคือความหลง พิสเอาวิชาไงเนี่ยเนี่ยคือพูดจนเขาไม่หลงแล้วแต่ที่ยึดเอาผู้ไม่หลงเน่ะเป็นตัวเราเราไม่หลงนะตัวเราไม่หลงะตัวเราไม่หลงไอ้ตัวนี้คือเอาวิชาถ้าเรายึดเอาเพาอะไรมีผลึลถ้าเรายึดเอาไอ้ตัวเราผู้ไม่หลงเนี่ยเป็นตัวเราเนี่ยผู้ที่มีสติเลยเป็นผู้ไม่หลงก็เป็นตัวเราเราจะต้องมีภาระแบกนตัวเนี้ยให้มันไม่หลงต่อไปเราจะทุกข์มากเลยจะกินจะนอนจะอะไรก็ต้องมีรักษาสติไว้ไม่ให้มันหลง ดังนั้นพอมันมาเลยผู้ที่หลงหรือไม่หลงไปแล้วไอ้หลงหรืไม่หลงไม่มีความหมายคือมันไม่มีปลายกับมันแล้วคือไอ้จิตที่หลงก็เป็นจิตไอ้จิตที่ไม่หลงก็เป็นจิตเพราะไปเห็นแา่ินานเนี้ยมันไปถึงความไม่ไม่มีตัวเลยมันคนละขั้นตอนกันดังนั้นไอ้เรื่องนี้มีผู้คนบอกกันจริงว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ว่าละจิตเห็นภายในได้ระหว่างที่ท่านคุยกันบหลวงพ่เทียนแล้วมีภาคล้อมอยู่แล้วมีครรภว่างล้ อ, อมเห็ หล่อเทียนก็ยกมือให้ดูถ้าว่าหลว่อเทียนยกมือใจของหลวงพ่อเทียนไม่ปรากฏตัวใจเลยว้างเปล่าหมดขณะที่หลวงพ่อเทียนยกมือตัณฑ์คิดมันคิดนี่อะไรในของท่านมันยังไม่ตายในขันห้ามันยังไม่ตายมันก็ต้องใ้ขันห้ามมันต้องมีความรู้ส like ึกเมติกอารมณ์อยู่ตัณฑ์เยอะแต่เนื้อกว่ากายที่เคลื่อนไหวเหนือให้ไอความรู้สึกเนที่อารมณ์ที่เคลื่อนีหวขึ้นใจขึ้นใจไม่รู้ลงอมั้งว้างเปล่า มันยกในใจว่างเปล่าอมว่างเปล่าเลยแม่มันไม่มีรังสีอะไรออกมาเลยถ้าไม่ว่างเปล่าจะมีรังสีออกมาเช่นถ้าเอาจิตเนี่ยไปยึดอะไรในทางโลกให้เป็นทุกข์มันจะดําถ้าไปยึดแผ่วๆมันก็จะเป็นสีขาวอมพันธถ้าไปยึดอารมณ์ฌานรังสีออกมามันก็ขาวเพราะว่าในขณะฌานมันไม่ทุกข์แต่มันไปยึดไว้มันก็เลยขาวพอไปยึดเอา วิปัสนาวิปัสนาญาณคือไม่ยึดอะไรผู้ม่ยิดอะไรพอผู morality, work, ้มายึดตาแล้วก็เลยอารมณ์ฌานผู้มายึดแต่มันยิดอะไรมันก็เลยเหลืองสว่างสวัยแต่พู้ไปยึดเอาไอ้ผู้ดีเหลืองสว่างสวัยเดี๋ยวก็ไม่เหลืองแล้วเสร็จแล้วไอ้ผู้ที่เหลืองสว่างสวัยผู้มีสตินะมันเลยเริ่มเหลืองสว่างสวัยพอไปยึดเอาผู้มีสติเป็นตัวเราเดี๋ยวมันก็ไม่เหลืองที่มันเบื่อไม่ได้แล้วมันเหนื่อยมากเลยแต่มันก็เป็นเหลืองอยู่แน่ๆเพราะว่ามันยึดไม่ยิดตัวอืแต่ยึดตัวเราไว้ พู้มีสติไปเรื่องกระต่างไปถึงผู้ ด, ดีไม่เหยีดอะไรไม่มีพูดเยียดอะไรไม่มีผู้เยีดอะไรไม่มีลางสีอะไรนั่นแน่ท่ันเลยบอกกเราว่าวีแต่หลวงพ่อเทียนทได้องค์เดียที่นางร้อมแนะละคารวะพิธมีลางสีออกผผหมด่าไม่มีม่มี นี่จะชวนเข้าไปดิชวนดิไม่มีอาการแต่ว่านม่ีตัวนี่เข้าไปดิอาการแช่นท่านที่ัหนที่ว่านีและคือที่พูดกันว่ามีไม่มียังแฟนเหมือนกันหมไม่มีมีไม่ีมีคไม่มีผู้ยึดก็มีทำที่มันคงไงองค์ทำเอกนี่เอกจริงข้าว่า ถ้าสองทำเนี่ยความหมายเขาที่เดียวอะไรไม่ใช่ความหมายคนหลังกันมีไม่มีใม่มีพวกนี้ไม่มีอ่าแตมีไม่มีคือไอไอสังขารทั้งมวลเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของมีไม่มีก็หมายถึงว่ามีสังขารเนี่ยไอสังขารทั้งมวลเป็นสิ่งที่มีสังขารกายสังขารจิตเป็นสิ่งที่มีแต่มันก็มีเก้อเกออย่านั้นแหละไม่มีไม่มีก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่วนไม่มีมีไม่มีมีก็คือเมื่อเมื่อเห็นอันแรกชัดมันก็เลยไปกดอันที่สองว่าเออไอไอสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยเมื่อมีใครไปเลือของปุ๊บมันก็เลยไม่มีใครไปยึดมั่นเรือมั่นมันก็เลยไปพบความไม่มีพอพบความไม่มีเสร็จปุ๊บมันก็เลยมีธรรมที่มันคงนี่องค์ธรรเอกนิเวงที่มันก็คือเป็นอันเดียวกับที่ที่ท่านเจ้าคุณนอไว้เนี้ที่คําสอนเจ้าคุณนอที่กรรมโคตรที่นาบกมือท่านว่าพระโสดาบัน เห็นว <üman> ่าสังคานทั้งมวลเนี่ยคือสิ่งใด้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครยึดมันถึงมันก็เป็นเจ้าของไม่ใช่ของของใครพรโตดาบานถึงแคนี้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นปังขานทั้งมวลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครเป็นเจ้าของพรโตดาบานถึงแคนี้คืออาจจะควรตระนักในเรืองนี้ อันยังที่ินสมุทยานธรบังกับปันตามน่โลธรรมทุกเจ้าจับว่าอู้อันญคนท่านาเห็นแล้วนอรู้แล้วเนะเือตัวดาวบันเสร็จแล้วก็เห็นว่าเออไอสถานที่ที่ได้ที่นีที่เกิดขึ้น ม, มาเป็นธรรมดาแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครไปด้ของก็เลยไม่เข้าไปออยึดบ้านสือบ้านพอทิ้งความยึดบ้านถือบัานเลยพบอีกหน้านอนไม่มีผู้ยึดมา้านถือมน ก็เลยไม่มีจ็เลยมีธรรมที่มั่นคงคือพอไม่สิ้นผู้ยึดบ้านถึงบ้านทุบไม่เข้าไปยึดบ้านถึงบ้านสังขารั้งมวลอ๋อก็เลยปล่อยสักขานเกิดเดับดับเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเลยเหนือกว่าสิ่งที่เกิดเองดับเองมันมีกันคือพวาไม่เปลีแตลงก็ไม่เปลีแตลงอะไรเลยเลยพระอรหันต์เลยเชื่อข้อที่สองว่าแต่พระอรหันต์เห็นว่านอกจากสิ่งใดที่งหที่เกิดขึ้นมาจะเป็นดำดาแล้วมีอันนึ่งเกิดสิ่งไหไม่เกิดสิ่งนั้นก็ไม่ดับ สิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นจะไม่ดับเลยโปล่อยให้สิ่งที่เกิดเกิดดับดับเพราะมันทำอยู่ธรรมชาติและในระหว่างที่มีสิ่งเกิดเกิดดับดับก็มีสิ่ที่ไม่เกิดไม่ดับผู้คนไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนลนักษณะคิ่ว่าเอาไปไปเอาสิ่งที่มันปรุงแต่งแล้วทาเป็นไปปรุงแตง่งไปปรุงแตง่งแล้วไปปรุงแตง่งไปเอาตัวเดียวกันอาจาประโยคน์ที่ตอบจากว่า ไม่มีมีนี้เป็นธรรมที่รื้อรัใครทักเจืประสงไม่มีสังขารมีธรรมที่มันคงสังขารโซเนี่ยเราไม่หลงใสสังขารสังขารชัวว่าคงแป่สังขาไม่มีสังขารคือตัวนี้มันไม่สังขารนอแล้วก็โซไม่คงเออโซไม่คงไอ้โไม่คงเนี่ยคือธรรมที่มันคงเพราะอะไรไอ้ตัวนี้ไม่เกิดไม่ดับนะ หรือี่าหรืวามีสันผาแต่ไม่มีสันผาเพราะว่าตอนตอนตอนแรกที่ฉันเนี่ยหนูชาอธิบายว่ามีไม่มีแล้วมีก็เลยนีกว่ามันมันเป็นสันผาอันเดียวกันเลยแต่ตอนนั้นมันไม่สันผาอ่าพระเย็นก็จะเหมือนกับพระโอติวาพระโอตั้แรลเดินก็เข้าใจว่าอย่างนี้อ่าก็เหมือนกันเลอถ้าอย่างเงี้ก็เหมือนกันเลยคุยกันเลยรู้เรื่องอ้ไรเนี้ยตอนนี้เข้าใจแล้วเจ้ค่ะ อ้าวอาจารย์ชุ้ไปเข้าใจแล้วโอ้เห็นไหมอีนี้ผมต้องลงดวยบ่อยคนอื่นจะได้เข้าใจว่ารู้ว่าติดตรงนี้มาตั้งนานแล้วแนตะ่เมื่ก่อนลวงตาพูดก็ยังเขี ย, ยนดวงตา ผมก็รู้เรื่องผมก็ฟ no. ังอยู่เนี่ยแล้วเออมึไปอยู่ข้างในผมก็อยู่ข้างในผมก็ฟังรู้เรื่องใช้ชีวิตมีความสุขข้าบอกผมไปปรงข้างในนด้ไงมันหม้ยผิดตัววะไอ้หนุ่มหมายผิดตัววะก็เหมือนไอ้เดี๋ยวเดี่มันกลับมาแล้วมันหมายผิดตัววะแล้วไม่รู้ตัวเองหมายผิดตัวก็หมายแบบที่อาจารย์ชุกบอกว่าโอ้โหหมายเข้าใจอย่างนั้นมานานอาจารย์ชุกหมายว่ามันตัวเดียวกัน คือถ้าเราทำให้ตัวสังขารไม่มันไม่สังขารแล้วมันจะได้มีคำที่มันโกลมมันได้หมายตัวนี้ไว้ือตอนเนี้ยลองดาวพูดมาหนาวนี่นั่นก็พอทำไมนันไม่เคย <laughs> ต้งเชื่อว่าแค่คนเนี้ยคนมองเนี่ยอาจาราจย์นะ้อ า, า, าผ ม, มเลี้ยงข้าวอาจารย์ต้อพาผมไปเลี้ยงข้าว อันี้สองคนทานโอี่แหละเอออันนี้คนทานโอ้ยไปไปทำให้ตุ้มตึนะเราต้องมาที่ฝายซ้ำแล้วซ้าอีกแล้วตั้งแต่เช้าแล้วเอแต่เช้าไปรอบต้องแต่เช้าเปรอบหนึ่งแล้วกลับไปรอบหนึ่งผมว่าเราทานทั้งหมดก็สิบปีแล้วด็พูดซ้ำเนื่องเนี้ยหลายปีแล้วเอ้ยนี่คือการไอไส้ขำใจนี่แะมันก็ให้มันเป็นอิสระตามที่เขาทำหน้าที่อ ก็าไม่มีเรื่องอะไรมากเลยใไมครับ ไ, ไม่มีหรือว่าไม่มีว่าเราไม่จะยุ่งเกี่ย ว, ยวคือเราก็เห็นมันทาหน้าที่ของตัวไปก็ใช่เหรอเห็นมันก็ต้องปฏิบัติม <c oughs> ันเดี๋ยวคาพูดนี้อันตรายนะเร <c oughs> ายอมไปหมไปไม่ได้เลยคำพูดนี้ ก็ อ, อัดเทปไว้เดี๋ยวคนไปฟังแล้วก็บอกใจนี้เขไว้ต้องปฏิบัติอะไรคือเข้าใจค่ะว่ามันคือเราไปคิดเปแตงไปหยาดไปนิ่งเไปบงคับมันแต่ว่าใจใจใจเราเราก็ปล่อยมันทาหน้าที่มันไปการจิที่เราก็เห็นอย่างแล้วจทชาติก็คือโน้นอย่างนี้อ่ง แต่การพูดค้ามันเป็นคําพูดรวมเป็นกายเลยแต่จริมันไม่มีเราเมื่อเห็นว่ามันมันมันมีสามไอ้ที่เราพูดเนี่ยเพื่อให้เข้าใจพูดจะอธิบายก็จะมันมีสามมีกายเนื้อมีกายจิตและอีกอันนึงคือความไม่มีแต่จริงเนี่ยคือเราไปพูดรวมมีสามกายแต่ความจริงอกเขาเพื่อพูดให้เป็นลูปธรรมว่าให้เห็นเรื่องคนละตัวกันเดี๋ยวจะเข้าใจจิดอย่างมาเชิโอวิจารณ์ชุ่ที่บอกว่าเออมันไปเอาไอ้ไอ้คิดว่าไอ้จิตที่มันปรุงกับไม่ปรุงเปนตัวเดียวกัน เพื่อให้พูดมันมัมนเป็นคนละตัวตาตัวแล้วไอ้ไอ้ไอ้พุชามันก็ทําหน้าที่ของความไม่มีอะไรปรากฏมันเป็นทาหน้าที่ของความไม่มีอะไรปรากฏมันก็ปรดแต่ไอ้กายเนื้อนะและไอ้กายจิตที่ปรากฏส่วนอีกอันหนึ่เนี่ยไม่มีอะไรปรากฏแต่ความไม่มีปรากฏเนี่ยพอคัตจะพูดกันอ่ะมันไม่รู้จะพูดกันยังไงว่ามัน มันความไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยมันเออ ม, มันมีหรือเปล่าล่ะอ่าหรือว่ามันมีมีก็มันได้มี อ, อะไรปรากฏก็แล้วกันเรื่องเงี้ยไม่ใช่ม ง, ง, งมันตั้งแต่สมัยเราลนะงงมันตั้งแต่สมยัยพุสลเจ้าเขาพยายามถามพุสลเจ้าเนี่ยจบลงที่ไม่มี อ, อะไรปรากฏเนี่ยมันมีหรือเปล่าล่ะเขาถามตั้งแต่สมัยมุสลิมเจ้านู้นมันมีหรือไม่มีจนกระทั่งตายแล้วเนี่ยไอตัวนั้นเนี่ย ไอ้กายเนื้อก็ดับไปไอ้ไอ้ไอ้ไอ้กายจิตสังหารที่ปรุงแต่เนี่ยมันก็นดับไปใช่ไหมแล้วไอ้ไอเหลืออีกอันเนี่ยที่บอกว่าเป็นเป็นเองชื่ออะไรก็ได้ตัวนั้นเนี่ยที่มีตัวที่เป็นอีกอีกอันหนึ่งอ่ะไอ้นมันมีไม่มีล่ะในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้ามันไม่มีตายแล้วมันก็ไม่มีแต่ไอ้ความไม่มีเนี่ยมันไม่มีเลยยังไงทูตเจ้าบอกว่าไม่ใช่อ่ะ พ้อย่ายงนั้นเนี่ยมันมีตลอดเวลาได้ไงตัวนั้นไหนไอ้ตัวที่สามเน ray, ี่ยเอาพู้ตัวที่สามไปเลยอะไม่ได้ชื่อมันก็ได้ว่าตัวอุตส่าห์หรือตัวอะไรไอ้ตัวที่สามเนี่ยมันมันมันมีตลอดเวลาใช่ไหมในปัจจุบันแล้วก็ตายแล้วก็มีตลอดเวลาใช่ผู้เจ้าอกไม่ใช่อ่ะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่มันไม่มีตลอดเวลาในปัจจุบันก็ไม่มีตายแล้วก็ไม่มีผู้เจ้าบอกไม่ใช่อ้าว ที่จรินก็มีอยู่ตลอดเวลาที่พระองค์ภาสาบกเลยนะเนี่ยมีตลอดเวลาสิมันก็มีอยู่แล้วตายแล้วก็ยังมีอยู่เนี่ยไม่ใช่อเอาใหม่ตอนนี้เ้าก็คิดเอานีงโอ้ยแล้วก็ไปสอนใหม่กลับไปสอนคนอื่นใหม่โอไอตัวนั้นเนี่ยไอตั ว, นนตวที่สามเนี่ยมันมันไม่มีอยู่แต่มันมันมีอยู่มันมีอยู่แต่เหมือนไม่มีอยู่อันนี้ก็สอนไม่งยุดคือไม่รู้จะสอนในใคร <c oughs> บอกว่าไม่มีเจ้าก็บอกหยุด พอบอกว่ามีตอนเวลาก็บอกผิดเออมันมีอยู่แต่มันเหมือนไม่มีหรือว่ามันไม่มีแต่เหมือนมีอยู่<ม>พระ เ, เ, เ, เจ้าบอกว่าผิดไปดูอีกมักเป็นไงพระองค์มันเป็นยังไงกันแน่พระเจ้าบอกว่ามันไม่มีคำพูดมันเป็นแบบนี้แล้วก็ไปเทียนดูส่วนหนึนื่องจาปัจจุบนันระดับไปแล้วมันเป็นปั๊งตอไปเทียนดับ แล้วท่านจะบอกว่าไฟเทียนที่ดับไปเนี่ยมันมีอยู่หรือมันไม่มีอยู่ท่านบอกว่ามันไม่ถึงสภาพที่จะเรียกว่ามีหรือไม่มีแต่ในหนังเจ้ามหาสันาะอนใช้คาว่ามันหายตัวไ ป, ปนวนในชิตประจวาวันนี้ก็อยู่อย่างหายตัวไป ต, ตายแล้วมันก็หายตัวไ ป, ปนะแล้วท่านใช้คำมีคำหนึ่งว่าไม่เกิดไม่ดับ ไม่มีการเกิดของปฏิกิิยาไม่ได้และไม่มีการดับเขาเรียกไม่ใช้คําว่ามีหรือไม่มีแต่ไปใช้คําว่าร่างกายเป็นสิ่นที่เกิดดับไอ้กายจิตเนี่ยความรู้สึกนึกดลงเป็นสิ่งที่เกิดดับแต่วันนี้อันที่สามคือมันความไม่เกิดไม่ดับถ้าใช้เรียกคามีการแบบงเลยไม่เกิดไม่ดับแล้วก็หรือใช้คําว่าไม่เกิดไม่ตาย ไม่อาจถูกทำลายได้ไม่อาจถูกทำลายได้เลยนะไม่เกิดไม่ตายไม่อาจถูกทำลายได้ความเกิดตายทำอะไรฆ่าไม่ได้เพราะฆ่าไม่เกิดไม่ดับความตายคือความเกิดดับความเกิดดับทำอะไรทำใหญ่เพราะฆ่าคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนี่ไง ไอสิ่งไม่เกิดไม่ดับเนี่ยมันจะใช้คําพูดว่ามันคืออะไรพอไปใช้คําพูดเลยมันคืออะไรพวกคนก็ไปสร้างไปสร้างอโนภาพขึ้นมาแล้วแบบเบอร์ทร่นานโอชอบสร้างแล้วท่านก็ไปสร้างเลยเนี่ยเป็นสร้างเขาบอกอะไรสักอันรูปมันจะสร้างเป็นอย่างไรที่มันจะนี้อัตโ น, โ ม, นออโตโมัติอัโต้บรรเลยกายจากไม่มีเป็นมีเลยเราต้องบอกว่าน้อยครั้งที่เจะใช้คําบอกความว่างแต่เราเปรียบว่ามันคล้ายๆควาว่างขอ ง, างขอากาศคล้ายๆ คือมันเป็นความไม่มีไงเราจะเอาไปมองเทียบความไม่มีเนี่ยแต่เราพูดอย่างนี้แม่กันนะั่ะบีคนก็ไปสร้างไปไปสร้างไปเราไปสอนที่อื่นมีคนไปสร้างมันอยูมันมันคล้่งมาดำอยู่อย่างนี้ท่านยังยึดอยู่นะเนี่ยไม่ยึดแล้วไม่มีอะไรยึดยจริงๆอาจารย์มันทำไมคำคำเนะี่ยเราเห็นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นเป็นอย่างนี้ล ทำยึดนะเนี่ยไม่ยึดได้จริงๆโอ้โหเถียงเราคงเถียงเรามันนึกเลยงคงเสียงเราเหมือนกับที่ผู้บัวศิริ์ปนโอเสียงตงามาบัวเสียงหมูเป็นเอแล้วมันยึดอะไรจริงๆไม่ยึดอรจริงๆยึดอะไจริงๆในความมีเนี่ยมันมีความไม่มีแต่เราจะพยายามทําลายความมีให้มันหายไปเหลือแต่ความไม่มีเพราะอะไรเขาบอกข้างนั้นว่าเรายังมีอยู่ พูดกันจริงๆว่าเรายังมีอยู่เรายังมีกิเลสยังมียังมีผู้ยังมียังมีอยู่ยังมีคือยังยังมีอวิชชาอยู่เรายังมีอวิชชาอยู่ยังมีอวิชาอยู่ะยังไม่บรรลุนิพพานนะเนี่ยสิ้กิจไม่มีกิเลสแล้วแต่แต่ไม่บรรุ้นิพพานช่วยช่วยบอกผมหน่อยสงขานไปกับเท้าช่วยบอกผมหน่อยว่าผมมีอะไรมีอะไรไม่รู้ดลอ่าไปหาท่านดิวมช่วยบอกผมหน่อยผมยังมีอะไรอยู่มันจะมีอ เรามุ่งทำลายความมีในความมีคือความไม่มีเรามุ่งทำลายติดตัวมุ่งทำลายตัวเนี้ยเพราะอะไรเขาบอกว่าเรามีเรามีเรา ม, เรามีเราจะทำลายให้เป็นสู่ความไม่มีเราทำลายติดตัวเราจะทำลายความมีเมื่อไหร่เนี้ยตัวเราเนี่ยไม่มีเอาวิชาเมื่อไหร่เนี้ยตัวเราจะรู้วิธีผ่านนี่คือความผิดผ่านมาหา เมื่อไหลตัวเราที่อวิชชาตัวเราจะบรรลุวินิจพานไม่มีโอกาสเลยแบบนี้เพราะความตัวเราเป็นตัวมีและเราจะทำลายอวิชชาที่ตัวเราให้เหลือตัวเราเนี่ยเป็นตัววิชชาแล้วตัวเรานีเนี่ยจะเป็นตัวบรรลุวินิจพานนี่มันผิดตัวชัดๆเลยตัวนี้มันเป็นตัวบรรลุวินิจพานไม่ได้ มันมีอีกตัวหนึ่งคือตัวที่ไม่มีแต่เรามุ่งมาทาลายผิดตัวมุ่งทำลายตัวนี้แต่ตัวไม่มีเราไม่เคยคิดถึงเลยเราทำลายติดตัวแบบเนี้ยเราคิดว่าตัวเรามีอวิชชาตัวเรามีอวิชชาตัวเรามีอวิชชาอยู่นั่นแหละช่วยคิดให้ผมหน่อยว่าผมผมผมเนี่ยจะตื้นอวิชชาได้ไหมผมผมผมจะตื้นอวิชชาได้ไงผมไม่มีกี่เดือนอยู่แต่มีอวิชชาอยู่เอ๊ะแล้วผมจะตื้นอวิชชาได้ยังไง ผมผมกมแล้วก็มุ่งทําลายอาวิชชาที่ตัวเราคือให้ตัวเราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์คือจะทําให้ตัวเราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์โดยคิดว่าถ้าตัวเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วตัวเราเนี่ยเออจะได้ผลลัพธ์เป็นปกติโดยมุ่งทําลายจิตตัวจะทําลายตัวเนี้ยไอตัวที่มีให้มันไม่มีอวิชชาให้มันนิ่งทีเดยจะขัดสีเววี่ยวนในตัวเนี้ยขัดมัทีนี้แได้ ขัดห้าขัดตีขัดวิวากัดไว้ขัดเท่าให้มันไม่มีกิเลสไม่มเหยียวิชาไม่มีกิเลสไม่มเยียวิชาขัดมันตัวเนี้ยแม้แต่ทําที่ตัวนี้ได้นะจนกระทั่งตัวเนี้ยมีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีกิเลสมาพลเลย่ะแต่ตัวมันเนี่ยเป็นตัวสะอาดบริสุทธิ์มากเลยกลายเป็นใส่ผ้าขาวจุวยเลยตอนเนี้ยืนพิงฝาก็ไปได้นั่งก็ไปได้กลจะสกปรก เอาข้าวเสวิตเราคิดว่าจะขัดให้มันเนี่ยสี่กิเลสที่เดวิชาเ่มันก็เหมือนกับลวงปูบัวสลีปโนโนเลยออย่างนั้นเป็นตัวผู้ที่ไม่เคยขัดสักทีเลยใส่ผ้าขาวสะอาดเลยคืแอแตเนี่ยยืนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้กิป่าด้วยเพื่อนนั่งกับเพื่อนใครอ้ออะไรไมไ่นั่งไม่นั่งยืนดูท่านแ น, น่แล้วมีทุกข์ไหเงี้ยแต่อะไรไม่ได้เลยที่กิเลสแต่อะไดวไิกิเลสมันเราไปทำาะไรที่ตัวมี นี่ไงทิ่ตังปู่บ้านเนี่ยนะเราไปทําที่ตัวมีต่นราไม่ไปถึงเลยว่ะมันไม่ใช่เ็นคนละตัวกันเราไปทําให้ไอ้ตัวมีเนี่ยที่มีตัวเราเนี่ยให้มันจะอาดโดยสุดที่สุดเนี่ยมาไปกดพบอีกหน้านึงคือให้ความไม่ดีมันไม่มีอะไรปรากฏเลยตัวนั้ น, นไอ้ตัวนี้สะอาดไดยสุดหรือไม่บว้สุดธิมันไม่เกี่ยวกันเลย ไอ้ตัวนี่มันตัวมีต่อให้มันเนี้ยมีสติมันคงสะอาดไปสุดมากเลยแต่มันก็ยังเป็นคนตัวมีคือตัวตัวที่สะอาดไปสุดกับไอ้ตัวที่สกปรกแต่มันมีอีกตัวหนึ่งคือตัวไม่มีคือตัวไม่มีตัวมีไม่มีตัวหรอกคำพูดถึงมันมีความไม่มีอันในความมีมันมีความไม่มีอันพอไม่มีมันก็เลยมีคำที่บั่นคงนี่เพราะความไม่มีเนี้ยก็เลยมีคำที่บันคงนี่เนี้ยคือองค์คำเสกที่ด้วยจริง ดังนั้นน่ะที่ท่านเจ้าคุณนอร์ทำแล้วพิธีโกที่ท่านว่าพระโสดาบันเนี่ยพบว่าจริงใดจริงหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาจริงทั้งหมดย่อมดับไปเป็นธรรมดาซึ่งไอโจมีนี่เองไม่อาจคิดมันถือมันได้ไอโจมีแต่พระอรหันต์พบงากอันหนคือพบตัวไม่มีจริงใดนี่พบตัวไม่มีเลยเป็นลูกอรหันต์แต่พระโสดาบันเน่ะ พบไอ้ตัวมีว่าไอ้ตัวเนี้ยยึดไม่ได้มันเป็นของไม่เที่ยงเพราะเป็นตัวมีสิ่งใดเป็นตัวมีสิ่งนั้นเป็นตัวไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นตัวมีนะสิ่งนั้นเป็นตัวไม่เที่ยงยึดมั่นถึงมันไม่ได้แต่พระอรหันเนี่ยยังไม่พบตัวไม่มีไอ้พระโสดาบันนั้นไม่พบตัวไม่มีเดื๋ยวพระโสดาบันเห็นแก่ไอ้ตัวมีทั้งหมดยึดมั่นถึงมันไม่ได้แต่ท่านไม่พบว่าในความมีมีความไม่มีพระอรหันพบอีกตัวเนี่ยคือความไม่มี ท่านไม่ได้ไปมนนุ่งทำลายไอ้ไอตัวที่มีให้มันสะอาดบ ร, ริสุทท่านเข้าไปถึงตัวที่ไม่มีอย่างลพบุรีศรีปุณโนเนะ่เราเข้าใจว่าที่ท่านบอกว่าไม่มีกิเลสเลยไม่มีกิเลสเลยท่านขัดสีลวีวันมีก ต, ติอยู่ตลอดเวลาไม่มีกิเลสตั้งหลายปีแล้วแลแ้วแหนท่านผ่านโสดาบันไปแล้วผ่านอางอื่นได้หมดแล้วแล้วไม่ดูปรากฏเลยแม้แต่โสดาบันตะการภาาามีอาจจะคืออนนาภ า, ม, า ม, ม, มีแล้วเดือาม้นไม่มีเราปรากฏเลย แต่ท่านไปนติดไอ้ตัวที่ว่าจะรักษาไอ้โจมี้ให้สะอาดเร็สุดตลอดไปท่านไปมุ่งรักษาที่โจนี้พอท่านคน้นพบอีกตัวหนึ่งอ่ะไอโจนี้เนี่ยมันทายังไงมันก็จะตายเป็นโจมีเพราะเลยปล่อยวางไอ้โจมีไปเลยไปอ้าวมันมีตัวอีกตัวหนึ่งคือตัวไม่มีไอ้ไตัวไม่มีไม่ได้บอกเป็นตัวบอกว่าเออจะพบตัวอืว่นยี่สิตัวเลยคือมันมีความไม่มี มันมีความไม่มีอีกงานหนึ่งแล้วพระาหันเลยมาพบอีกงานหนึงคือมันมีความไม่มีด้วยสิ่งใดไม่มีไม่มีปฏิกิยาไม่มีการเกิดก็ไม่มีการดับอ๋อมมันมีไม่มีด้วยหลวงปู่ม่นเลยมาเขียนหนังสือที่บอกว่าอะไรเอ่ยเนี่ยมีไม่มีไม่มีมีเลยจึงเป็นคำพิจารณาตรงเนี้ย แต่เจ้าคุณนอเขียนใแบบเนึ่ยว่าเขาตัวดาบานนันเห็นว่าสิ่งใดที่ง่งเกิด ข, ขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่อาจชิดม่านหรือม่านได้คือไปเห็นตวัวมีว่ราะไปของไม่เที่ยงแต่พระหลานอ๋อมันมีกพราไอ้ตัวไม่มีคือ ไ, ไม่มีการเกิดไม่มีการดับนั่นแหละคือพระหลานแต่รู้ตร้มม่านมาเขียนว่าอืมสิ่งใดมีไม่มีถ้าไม่มีนั่นแหละถึงจะมี ผู้ใดพบความไม่มีแล้วเนี่ยจึงเป็นองค์ธรรมเอกวิเวจริง